بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و ا ل م س ل ي ن وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ท่านพี่น้องมุสล al ิมและมุสล ah um. ิมะที่รักอ ah, ัลลอฮ์ทีรักรอซูลที่รักทั้งหลายครับ ก่อนอื่นผมขอชคกก ต, ต่อ a ต l a h ขอบคุณ a l l สุบฮานาฮูวตาล่ที่ a l l ให้ผมมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านพี่น้องซึ่งผมไม่ได้มาเนี่ยนานแล้วเป็นปีหรืออย่างมระตบได้ไั้ยเป็นปีนะ <c oughs> พอมาก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนในทางที่ดีนะครับ มีพี่น้องที่มานั่งฟังศาสนานี่เป็นคนหน้าใหม่ๆเยอะทำโดยแล้วพี่น้องครับสิ่งที่ผมนำมาเล่าหรือมาบอกกับท่านพี่น้องวันนี้ก็คืออัลกุรอานสูร่ที่ท่านพี่น้องถือกันอยู่นี่แหละครับโคเรว่าสูรอัลมุลกตะบารอกันที่บียาดีฮิลมุลกู วาวาลากุลิชัยอิมกาดีบสุรอ้อนนี้อยู่ในคัมภีร์คุรานใะนพี่น้องนะในอัลกุรานะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สรมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สุรอ้อแล้วก็สุระอนนี้ในพี่น้องครับเป็นสุรอนที่หกสิบเจ็ดนะครับเป็นสุระอนที่หกสิบเจ็ดนะครับพี่น้อง <c oughs> มีทั้งหมดส0บอายนะครับผู้ใดที่อ่านอัลกรุรอานนะครับสุรห์นี้เนี่ยนะครับอ่านสุรห์นี้รับตบะารกัลีบยดิฮิลมุ ล, วาวาลกออลาุลิชัยอินกดีอ่านให้จำมัยิงดีอ่ะอ่านให้จำนะแล้วก็อ่านทุกคืนม่ใช่อ่านปีละครั้งอ่านทุกคืน อ่านทุกคืนถ้ารู้ความหมายอัลลอยิ่งดีมากๆเลยท่านนาบะะนีมุฮัมมัดลนุลัมนะครับบันทึกโดยท่านอิมามบะบูดาวูติรมีดีและอิมามอิบนุม า, าสามท่านนี้เป็นนักฮะดีษนะครับนักรวบรวมฮะดีษรายงานโดยท่านอบดุฮุไรยราะห์รดิยัลลอฮุนหูไดรายงานบอกว่า ในกุรอานมีในสุร้อนนี้นะมีประมาณสามสิบอายะสามสิบอายะจะช่วยอ่าจะช่วยคนที่อ่านทบทวนอัลกุรอานสุร้อนนี้เนี่ยช่วยให้ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์คนที่อ่านสุร้อนนี้นะจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ และยังไม่พอพี่น้องตอนนอนอยู่ในสุสานตอนนอนอยู่ในกูโบในพี่น้องจะไม่ได้รับการลงโทษจากอัลลอฮอัลลอจะคุ้มครองแต่มีข้อแม่นะคนที่อ่านสุราห์นี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เคร่งครัดต้องเป็นคนดีเคร่งครัดศาสนาไม่ใช่นามาตปีละสองครั้ง นามาดวันอีดใหญ่กับอีดเล็กพี่น้องแต่ต้องเป็นคนที่เ ค, คร่งคัดศาสนาต้องนามาดล้วก็้าเป็นมุสลิมก็ต้องแต่งกายให้ให้ดีที่อัลลอ์พอใจแล้วก็ถ้าเป็นภรรยาของใครก็ต้องเป็นภรรยาที่ดีที่อัลลอ์เห็นแล้วพอใจนะครับถ้าเป็นลูกของใครก็ต้องเป็นลูกที่อัลลอฮ์ทรงพอใจที่ ลูกที่เชื่อฟังปฏิบัติดีต่อบิดามารดาของเขาถ้ารับเป็นสามีพี่น้องก็ต้องเป็นสามีที่ไม่ตบภรรยาไม่ตีภรรยาไม่เตะภรรยาต้องเป็นสามีที่ดีรับผิดชอบดูแลภรรยาท่านอบีสอนทั้งหมดนบีสอนหมดอะพี่น้องจะเป็นภรรยาก็สอนหน้าที่ของภรรยามีอะไร จะเป็นสามีหน้าที่ของสามีเป็นเป็นอย่างไรเอาล่ะแม้แต่จะทานอาหารก็นบีก็ยังสอนว่าจะเอาเอาใจสามีเนี่ยทำยังไงคือน้องนบีสอนบอกว่าให้เอาอาหารเนี่ยนะใส่ปากภรรยาบา้างอ้าอาทุบเปิดเปิดเปิดปาก เ, เ, เ, เ, เอาอาหารใส่เอาล่ะเคยทำบา้างไปถามกันก่อนีอ น, นกาณ์นู่นน่ะ ไปทำกันก่อนนิกาพอหลังนิกาไม่ได้ทำความจริงนบี m u h a m ม a d นสอนเพ้า ว, ว่าให้จีบกันหลังจากนิกานิกาก่อนแล้วก็จีบกันที่หลังเราไปจีบกันก่อนแล้วก็ น, นิกาที่หลังความอ ร, อร่อยมันหมดหมดตั้งแต่ก่อนนิกาแล้วอพี่น้องนี่เป็นหลักการทั่วๆไปที่ผมจะนำเสนอกับท่านพี่น้อง เป็นรองครับอ่านสุร้อนนี้นะทวารของที่บีจะดีที่มุลกุวะห์อัลลอฮ์กับทุกๆสิงก็ดีนะครับแล้วก็นี่คาแปลก็มีอยู่แลกกว้วค่อยๆศึกษาไปผมจะอธิบายกว้างๆก่อนแล้กันว่าคนที่อ่านสุร้อนนี้ต้องอ่านทุกคืนถ้าอ่านไม่ได้ค่อยๆเรียนใช่ไหยเพียงแต่ตั้งใจนะครับจะอา่านอลัลกุรอานสุร้อนนี้อลัลอลอฮ์ก็เปิดแล้วอ่าเปิดแล้วเปิดหัวใจของเขา เปิดสติบรรยาของเขาสมองของเขาให้พร้อมที่จะรับเอาความรู้จากอัลกุรอานพี่น้องอ่านกุรอานอย่างเดียวได้ผลเลือบบุญตอบแทนจาก AH. อัลลอ์เยอะนี่อย่างเนี่ยตาบารากันลยีบียาดีฮิลมุลกูวาหัวาลาคุลิชายิงกอดีดมีกี่อักษรนะ่ะอัลลอ์มีขี่อักษรพี่น้องอักษรหนึงอะสิบความดีนะ อ, อย่างต้า แต่าบ้าราการเนี่ยเสียงสอนเท่าไหรไปแล้วอลัลลอฮ์อย่างละสิบละสิบละสิบละสิบสี่สิบไปแล้วแต่าบ้ารกากัรลาดีบียาดีฮิลมุอลอัลลอฮ์พี่น้องนี่มีรางวัลตอบแทนจากอลัลลอฮ์ทั้งหมดเราจะเห็นรางวัลจากอลัลลอฮ์เห็นเมื่อไหร่พี่น้องครับบนโลกดุนยานี้อลัลลอฮ์ยังไม่ให้เห็นจะเห็นจริงๆก็หลังจากตายไปแล้วเห็นจริงๆผลบุญของการอ่านอัลกรุรอานเนี่ยพี่น้อง ต้องตายไปก่อนพอโลกใบนี้อัลลอฮ์ให้มาเพื่อการทดสอบนะครับเพื่อการทดสอบอพี่น้องคนที่มีกุรอานอยู่ที่บ้านของเขาพี่น้องเราก็เปิดอ่านอัลกุรอานสม่ํามเสมออัลฮัมดุลิลลาฮ์มีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ที่ดีกว่านั้นก็คืออ่านแล้วก็รู้ความหมายของอัลกุรอาน รู้ความหมายของอัลกุรอานไปน้องแล้วก็เราเดินตามอัลกุรอานไปน้องเพราะอัลกุรอานเนี่ยเล่าถึงชีวิตของเรานะชีวิตของคนไ ม, ม่ไม่ได้เล่าเรื่องเรื่องเรื่องอเและเรื่องของเราอย่างเดียวของเราความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์เรากับพ่อแม่เรากับญาติพี่น้องเรากับลูกเรากับสามีเรากับภรรยา เรากับต๊ะอิหมัมมสัสยิดเรากับองค์กรเรากับโรงเรียนพี่น้องอิสลามเนี่อยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดเลยฉะนั้นเรื่องของเราทั้งหมดอยู่ในกัมภีร์อัลกุรอานฉะนั้นเดินตามบัลกุรอานแล้วก็คิดตามอัลกุรอานวิธีคิดก็คิดแบบแบบที่อัลลอฮ์สอนให้คิดพี่น้องอย่าไปนั่งอย่าไปนั่งวางแผนเองคิดเองพี่น้องคิดยังไงยังไงก็สู้ความคิดของอัลลอฮ์ไม่ได้ แล้วก็ความคิดที่อัลลอฮ์ได้บอกว่านันการพีกุรอานเป็นนันการเป็นความคิดที่สะอาดบริสุทธิ์ทําไมเรากล้าพูดว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคําพูดที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะแต่ละคําแต่ละวักเนี่ยมาจากชั้นฟ้ามาจากอัลลอฮ์ใครเป็นผู้นาเอามาให้อยู่ประทานให้กันนบน บ, บีมุฮัมมัดท่านจิบรีลอะลัยฮุสซาลเป็นมลายิกะกับเป็นอนองฉะนั้น ไม่มีคําพูดไม่มีความคิดของมนุษย์เนี่ยเจือปนอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานเลยสะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นคําสั่งของอัลลอฮ์ที่ผ่านกุรอานนั้นเป็นคําสั่งที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความคิดของมนุษย์คนใดไม่มีความคิดของนบีมุฮัมมัดด้วยแต่ทั้งหมดนะั้นเป็นความรู้อันสะอาดบริสุทธิ์ที่มาจากใครนะมาจากอัลลอฮ์ سبحانه ะุสวะตอางั มับมดบความหมายนะครับ a a ตาบารักอัลลอฮบิยัดิฮิลมุลกุวะฮฺอัลลกุลลิชัยงกอดีตาบารักกะแปลว่าความจำเริญยิง่งตาบารักะความจำเริญยิ่งอัลลอีแดผู้ที่บิยาดิฮิพระหัตของพระองค์อัลมุลกิแปลว่าอาณาจักร ต้องการจะบอกว่าเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์เป็นการพูดชมอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาอาดาพี่น้องครับคำว่าตาบารอกะหรือว่าบารอกัลลอห์นี่มีความหมายเหมือนกันขอความจําเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านรู้ไหมว่าว่าว่าตอนไหนพี่น้องว่าตอนนี้ท่านนาบีสอนนะครับนบีสอนอย่างงี้นะครับอิดะรออาอาดูกุม มินอาคีเอามินนับซีฮีเอามินมาลีฮีมาอยู่อจิบุหูแต่ท่านพี่น้องเนี่ยไปมามารงแรงนี่แหละโรงแรมนิวเวิลด์ซิตเนี่ยมาเห็นว่าโรงแรงสะอาดรวมแรงสวยแล้วก็มีห้องแอร์ให้นั่งฟังศาสนาพูดศาสนาอากาศเย็นสบาย บางทีเราเราก็มีโรงแรมเหมือนกันแต่โรงแรมของเขานะ่ะดีกว่าของเราตามธรรมดานิสัยของมนุษย์ทั่ ว, วไปอิจฉามันมีมั้มมีไม้ยมีมันมีอยู่ในใจด้วยกันทุกคนเราขับรถมาไปเจอรถของเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะมันสวยกว่าเราล้วซื้อมาใหมย่ยี่ห้อดีกว่าแพงกว่ามาจอดคู่กันนี่อิจฉาไหมนึกนิด เหมิงเหมิงเหมิงพี่น้องเราไม่ต้องการให้อิจฉาอยู่ในตัวของเราไปน้องรวมไปถึงเรามีลูกของเราเรามีลูกสองคนสามคนแต่ไปเจอบ้านเพื่อนไปพเที่ยวบ้านเพื่อนเนไปเจอลูกเขาโอ้โหดีกับเราดีกับลูกเราอีกน่ะเราสอนได้แค่นี้แหละแต่บ้านเพื่อนเนี่ยเขาสอนลูกเขาดีมากเลยยืนตอนรับแขกเอา้าเชิญก้าเชิญก้าได้ไหม แล้วกั บ, บริการดีผู้จ่า ด, ดีความอิจฉามันอยู่ในใจมันมียิ่งเป็นกรรมการโซเราใช่ไหมเราเป็นกรรมการมัสยิดเป็นกรรมการมัสยิดมัสยิดเรานะ่อัลลอฮฺกว่าจะเรียรายได้ลําบากมากบังเอิญไปนมาที่มัสยิดที่อื่นนะ่ะเขาไม่มัสยิดใหญ่แล้วก็สะอาดสะอ้านมีแอร์ติดอิจฉาอยู่ในใจมีแล้วทั้งหมดเหล่านั่นพี่น้องครับเพื่อจะไม่ให้มีอิจฉาเกิดขึ้นในใจ ให้ว่าอย่างนี้บารักอัลลอฮูลละกานี่และต่บารกัลลาะกอัลดาซีนะไรไปน้องว่าไหมาบารักัลลอฮขอความจำเริญจงประสบแด่ท่านอะไรที่อยู่ในใจหายหมดเลยอิจฉาที่เสียที่อยู่ในใจหมดไหมหมดว่าสองประโยคนะบารักอัลลอฮุลละกะ้หรือมาชาอัลลอฮ์ว่าแค่นี้เอง มาชาอัลลอฮ์แปลว่าอะไรเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ที่ท่านมีโรงแรมสวยเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอ์เขามีลูกดีอบรมดีเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอ์เขามีรถคันงานงามแพงๆเป็นไปตามพระรขขพพ ป, ประสงค์ของอัลลอ์เขามีมัสยิดดีสะอาดดีกว่ามัสยิดเรา เป็นภาพประสงค์ของอัลลอฮฺมาชาอัลลอหรือบารอกอรอพูดคำนี้เรื่องที่อิจฉาทิษยาที่อยู่ในใจเราหมดทันทีอัลฮัมดุลิลลาห้ไมพีปน้องตั้งหลายเนี่ยเราต้องมีศาสนาเพราะการมีศาสนาเนี่ยทำควบคุมอารมณ์ของเราไม่ให้เป็นคนที่อิจฉาคนมันไส้คนไปร้องมันไม่ดีหรอกอะไรที่อยู่ในใจอะไรเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเนี่ยเพราะว่าอัลลอเนี่ยนะแปะ ความโกรธความอิจฉาผูกพยาบาทมันไสใช่ไหมแปะเอาไว้ในใจทุกคนอย่างแีนิดนิดๆๆดนิดคนที่มีอีมานคนที่เข้าใจาศาสนาเนี่ยจะควบคุมอารมณ์เหล่านี้ไม่ให้ออกมาแต่ถ้าหากว่าไม่เรียนาศาสนาเลยไม่ฟังาศาสนาเลยไม่รู้กุรานไม่รู้ซุนนะหนบีเวลามีอารมณ์โกรธนี่น้อืมเห็นไหม ภรยาบางคนด่าสามีปักปักปักปักจไม่ได้่าข้องล่ะก็เพราะว่าไม่มีอาไม่มีศาสนามาควบคุมอารมณ์อ่ะรวมไปถึงสามีบางคนเวนลาไม่พอใจภรรยาเตะตบคว้างจานบ้างอะไรบ้างผมเคยเห็นมาหมดเขามองดูอลอลลอฮฺนี่เขาไม่พอใจอิสลามเขาไม่เคยอ่านอะไรนะออัลกุรอานแล้วก็ไม่เคยศึกษาว่า นบีเป็นบุคคลตัวอย่างเนี่ยนบีอยู่กับภรรยาเนะี่ยอยู่ยังไงที่อัลลอฮ์พอใจภรรยานบีอยู่กับท่านนบียังไงที่อัลลอฮ์พอใจลูกอยู่กับพ่อแม่ยังไงที่อัลลอฮ์พอใจมันต้องเอามาจากครอบครัวของนบีทั้งหมดเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไปเจออะไรก็ตามที่ท่านพี่น้องเห็นแล้วชอบใจถูกใจแต่เป็นของคนอื่นหมดเลยไม่ใช่ของเรานะ ว่าไงนะบาระกอหลุละกาหรือมาชาอัลลอฮอะไรที่อยู่ในใจของเราที่ไม่ดีไม่ดีที่อลัลลอฮ์แปะไว้ในเะป็นน้องครับอลัลลอฮ์จะควบคุมไม่ให้อารมณ์ร้ายเนี่ยออกมาแต่ทใไ้เสียบุคลิกภาพเลยนะหน้าไม่ดีใช่หมบางคนเนี่ยมือสันแลยเห็นของที่เราถูกใจจะเป็น ค, นคนอื่นนะ่ะโอ้โหอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องครับ ตาบารกกัลลาดีบียาดิฮิลมุลกความจำเริญยิ่งนะครับแด่พระผู้ซึ่งพระหัตถ์ของพระองค์คืออาณาจักรวาวาลากุลิชัยิงกอดีและพระองค์คือผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะแคปน้องทั้งหลาย ฟิตรตุลลลอแปลว่ากฎธรรมชาติของอัลลอฮ์อย่างเนี้ยถ้าใครอยากจะมีลูกต้องอะไรนะต้องแต่งงานอยากจะมีบ้านก็ต้องสูกต้องปลูกบ้านใช่ไหมอยากจะมีรถต้องต้องอะไรนะต้องต้องซื้อรถออยากจะมีสวนก็ต้องไปเช่าที่ดินอะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่น้องนี่เป็นกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์วางไว้เขาเรียกว่าฟิตรตุลลลอ อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากุนรตุลลอความสามารถของอัลล์ไม่อาศัยฟิตรตุลลอแต่เหนือความเหนือฟิตรตุลลอเหนือกฎธรรมชาติก็มีความสามารถของ อ, อ, อัลลอ์าาอเช่นยกตัวอย่างคนจะมีลูกจะต้องทำไงนะต้องแต่งงานใช่ไม่ใช่บางทีแต่งงานแล้วแฟนเป็นอะไรเป็นหมันใช่ไหม มีลูกได้ไหมไม่ได้นั่นก็เท่านะักฎธรรมชาติที่อัลลอ์วางไว้แต่กุฎระตุลล้อความสามารถของอัลลอฮ์มีเหนือกว่านั้นก็คือประวัติของ z ก k ร r ยานาบีจ a ร a ยา a ขอยกตัวอย่างนะนะนบี z ก k ร r ยาอะลัยฮิสลามเนี่ยไม่มีลูกเพราะว่าตัวเองนี่แหละแก่มากแล้วชารามากแล้วแก่งอมแล้ว แล้วก็ภรรยาเนี่ยอากรอนเป็นหมันภรรยาเป็นหมันสามีแก่ภรรยาเป็นหมันเป็นหมันมาตั้งเด็กเลยนะี่ยตั้งแต่เริ่มแต่งงานมาเนะ่ยเป็นหมันมามาหมัดม า, ม า, มาตลอดโอกาสจะมีลูกได้ไม้มไม่ได้หมดทธิ์เลยไปน้องเรียกว่ากฎธรรมชาติที่อลัลลอห์วางไว้แต่นบีสุกรียาเนี่ยขอทูาอลาอัลล โอ้ย่าอัลลอฮฺฮับลีมิลดาดุงกาซุริยัตันตอยบ น, นบีซากริยาขอนุอัอลลอฮฺย่าอัลลอฮฺฮับลีมิลดาดุงกาซุริยัตันตอยบะอลัลลจาฉันอยากได้ลูกสักคนหนึ่งมาจากพระองค์อะซุริยัตันตอยีบะเป็นลูกที่ดีถามว่ามีมีลูกที่ดีเพื่ออะไรอะ ทั้งๆตัวเองแก่ชะแก่งอมแล้วแล้วกับภรรยาเป็นเป็นมันน่ะอยากมีลูกทำไมนบีสุขะริยาอยากมีลูกเอาไว้เป็นลูกที่ได้มาสักคนหนึ่งเอาไว้รับใช้งานศาสนาของอัลลอห์ไอ้ไม่พี่น้องเนียดดีไหมเป็นห่วงศาสนาอย่าลืมว่าจุกะริยาเนี่ยมาจากเผ่าไหน เผ่าบันีอิสรอลอินเผ่าที่เป็นคนยิววันนี้อยู่ในประเทศอิสรอลอินเนี่ยเลยพี่น้องเราก็อยู่ทั่วโลกเนี่ยอยู่ในแถวนี่ก็เยอะอะไรถุนน้ำข้าวสารเนี่ยนะเยอะ <Pokemon Lion killer> <c oughs> <karış> พวกพวกบันนีอิสรอลอินทั้งหมดเลยพี่น้องนบีจักกะดียาเนี่ยเป็นห่วงลูกหลานของเขาหนี้ลูกหลานที่เดินเพ่นพ่านอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยนั่นเป็นลูกหลานของบันนีอิสรอลอินทั้งหมดนบีจักกะดียาเป็นห่วง อยากจะได้ลูกสักคนหนึ่งทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองนั้นเป็นคนแก่แล้วหงอมแล้วภรรยาเป็นหมันก็ขอต่ออัลลอฮ์อะอัลลอฮ์จ้าอยากได้ลูกสักคนหนึ่งเอามาดูแลลูกหลานของฉันให้เป็นคนที่มีศาสนาอัลลอฮ์รับดวงอาพอรับดวงอาปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ส่งยิบรีมมาลายการเนี่ยลงมามาบอกฉันแจ้งข่าวดี ว่าภรรยาคุณจะมีลูกชื่อยายา <ยะ S 1> สกรตยางงอ่ะฉันแก่แล้วอ่ะแลก็ภรรยาขึ้นบางทอาีอาจจะตีความหมายแปลว่าถ้าภรรยาอะไรนะเบ็ดเป็นหมันแล้วใช้อาจจะแต่งมันายอีกตัวคนหนึ่งเพื่อจะได้ลูกใช่ไหมแต่อรอดบอกไม่ใช่ภรรยาคนนี้แหละอลรอดจะให้ลูกฮะมาได้ยังไงอ่ะก็ภรรยาเป็นหมันเนี่ย อัลลอฮ์มาเลากล่าวตอบว่าสําหรับอัลลอฮ์นั้นให้ยินจิกจ้อยจะให้คนเป็นหมันมีลูกเนี่ยมันเรื่องง่ายสําหรับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวซาลาห้าต่อมาอัลลอฮ์ก็ให้ภรรยาของละกฤยานั้นมีลูกไอ้มีลูกแบบนี้น่ะไม่ใช่กฎธรรมชาติเข้าใจไหมเรียกว่าอะไรนะกุดรอตุลลอเรียกว่าอะไรความสามารถของอัลลอฮ์เหนือกฎธรรมชาติ นี่ไงต้องการจะอธิบายเป็นไงนะว้าว่าเล่าคุลิชายอิกอดีอัลลอเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่ทำให้เราอิหมา่นเพิ่มขึ้นนะวันนี้นะพี่น้องนะพี่น้องมีปัญหาอะไรขอจาอัลลอฮฺตรงๆขอจาอัลลอขนาดลูกไม่มีเป็นหมันอลัลลอให้มีลูกได้ไหมได้ บางคนอาจจะสงสัยคุณอ่านอธิบายต่อถามว่าอัลลอฮ์การสร้างมนุษย์บนโลกนี้นมีอยู่สี่แบบนี่เป็นเรื่องอีหม่านทั้งหมดครับเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นะหนึ่งอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาบนโลกนี้มีอยู่สี่แบบแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมมาจากอะไรคุณต้องทราบใช่ไหมมาจากอะไรมาจากดินไม่เห็นมีใครสงสัยตัวคนนั่นั่งกันเงียบหมด อมมาดัลมันจากดินดินดินดินเชื่อชื่อเชื่อสร้างอาดัมมาจากดินทุกคนเงียบหมดเลยสร้างฮาวาภ ร, รยาของนบีอาดัมชื่อฮาวานะไม่ใช่ฮาวานะพวกเราเนี่ยเวลาเรียกชื่อลูกเราเนี่ยตั้งชื่อลูกเลยไม่เคยถามตัวครูเลยตัวครูจ้าภรยาของนาบีอาดัมชื่ออะไรชื่อฮาวา อันนัาวาว้น ฮ, ฮาวาอชัดดาฮาวอเลฟฮามซาฮวาอุนชื่อตามกลุ่อาลเลยนี่นะชื่อฮาวาภรรยาของนบีอาดามอัลลอฮ์สร้างมาจากไหนพี่น้องซีโครงเห็นไหมนั่งกันเงียบหมดไม่มีใครบนไม่มีใครพูดสังคมนังยอมรับเลยว่าอันนบีอาดามถูกสร้างมาจากดินนางฮาวาสร้างมาจากซีโครง แล้วอลัลลอฮ์สร้างประเภทที่สามนาบีอีซาอิลัยฮิสสลามผ่านแม่ไม่มีพอ่อไปไงพี่น้องพอสร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อปั๊บนี่กายนาบีอีสาศักดิ์สิท ธ, ธิ์ทันทีที่น้องชาวคริสเตียนเราเนี่ยอัลลอฮ์ไปกราบนาบีอีสากันใช่หรือไม่ใช่เนี่ไงไปน้องครับแต่อลัลลอฮ์ตองการจะบอกกับฉันเอง่ะ ฉันน่ะสร้างนาบีอิสาผ่านแม่โดยไม่ผ่านไม่ผ่านพ่อฉันมีความสามารถนี่เขาเรียกว่ากุศลตุลล้อความสามารถพิเศษของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาแล้วก็ประเภทที่สีเนี่ยที่เราที่เราเกิดมานี่ผ่านการแต่งงานใช่ ไ, ไมน้ําอสุจิของผู้หญิงผู้ชายบวกกันอยู่ในมดลูกของผู้หญิงกลายเป็นพวกเรามาวันนี้นี่ประเภทที่สีเพราะฉะนั้นการสร้างของอัลลอ การสร้างมนุษย์ของอลัลลอนะ์นั้นมีอยู่สี่ประเภททั้งหมดแล้วนี้ใครทำได้นี่อลัลลอ์สร้างมาเป็นฟิประเภทที่สเนี่ยเป็นฟิจราตุลลอ์นะผู้หญิงผู้ชายแต่งงานการน้ำมอสุจิหญิงชายบวกกันอยู่ในมดลูกปฏิสนธิอยู่ในคันบาด น, นานี่เป็นกฎธรรมชาติส่วนนบีอิซานั่นเป็นกุจราตุลลอ์ไม่ใช่เป็นกฎธรรมชาติ นางเขาว่ามาจากสีโครงไม่ใช่ฟิตรตุลลอต์แต่เป็นกุดตุลลอต์ความสามารถของอัลลอฮ์นบีอาดามมาจากดินไม่ใช่กฎธรรมชาติแต่เป็นกุดตุลลอต์ความสามารถของอัลลอฮ์สุภานะหัวตาพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าอัลลอฮ์มีความสามารถอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะให้พวกเราอยู่แบบมาลายิกาเราทำได้ไหมจะให้พวกเราเนี่ยอยู่แบบมาลายิกา มาลายกะมีกินบ้างมาลายกะไม่กินไม่นอนไม่เข้าห้องน้าไม่แต่งงานไม่มีลูกไม่มีพ่อเราอยากเอาไหมเอาไหมไม่เครเอาอยากเราอยู่แบบนี้พี่น้องถ้าเอาลอดตองการจะให้เราอยู่แบบมาลายกะเนี่ยเอาลอดทำได้ไหมได้อยากไหมล่ะโอ้โหแล้วก็ไม่เอาเนืสภาพเนี่ยดีอร่อย ถ, ถูกใจหมดเลยจังมาก มีบ้านมีลูกมีสามีมีภรรยามีรถมีนุ่นมีนี่แต่ถ้าให้จะให้อยู่แบบมารีกาณ์นะทำได้ไหมได้หรือให้อยู่แบบแบบแบบไซตตอนทําได้ไหมได้แต่นี่อัลลอฮฺให้เราอยู่แบบมีมารีกาณ์ครึ่งหนึ่งมีไซตตอนครึ่งหนึ่งอยู่ในตัวของเราฉะนั้นเรานี่พี่น้องครับเป็นคนที่อัลลอฮฺสร้างมาสร้างมาจากดินแล้วก็มีวิญญาณด้วยพี่น้องครับเพราะฉะนั้น เราเนี่ยมีทางยินและใช้ตอนอยู่ในตัวของเรามีมลอา i r a i k a อยู่ในตัวเราด้วยมีใช้ตอนอยู่ในตัวเราฉังนั้นมันมันสู้กันตลอดเวลายอยู่ในใจเนี่ยจะเอาไหมเอาเอาไหมเอาจะนมาหรือไหมนมาจะตื่นหรือไม่มตื่นจะดา่าหรือไม่ดา่ามันอยู่ในใจไปน้องฉะนั้นคนที่มีาศาสนาเยอะๆนี่ไปน้องครับเขาจะเอาของดีๆเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็จะเคลียของไม่ดีนะั่นออกไปแต่ถ้าไม่ฟังาศาสนาเลยไปน้อง ปัญหาเละเลยพี่น้องยกตัวอย่างอง่ายๆหาท่านพี่น้องเป็นคนรวยนะมีเงินจังร้ายสิบลา้านถ้าไม่ฟังศาสนาเลยจะจ่ายอากาศไหมจ่ายหรือไม่จ่ายต้อจ่ายทําไมอ่งเงินของฉันเงินของกลัวจ่ายทำไมใช่ไหมแต่ที่พอฟังศาสนาปั๊บ เงินเนี่อัลลอฮ์ให้มานะเงินเนี่ยนะ เ, นนเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานริสกีให้เงินมาพอมีเงินแล้วเนี่ยทํางานให้อัลลอฮ์พอใจในตัวเราก็ต้องแบ่งเงินออกเป็นหนึ่งจ่จายเป็นสากสาดสองจ่ายเป็นซอดาก์กสามจ่ายเป็นฮัดียะแปลว่าของขวัญเป็นกิฟต์แล้วก็ข้อที่สี่จ่ายเป็นวากาฟมอบให้กับมัสยิดองค์กรบุริษัทต่างๆจากเงินของเรา คนที่จะจ่ายสี่อย่างนี่ต้องเข้าใจศาสนาถ้าไม่เข้าใจศาสนาจะจ่ายไหมอ้าวดูสินบีสากดียาคงเล่าเมื่อเดกี้เนี่ยอยากรออัลลอฮ์จอยากได้ลูกสักคนหนึ่งเอาลูกมาทําอะไรมารับใช้งานศาสนาของอลัลลอฮ์ถามว่าพวกเราเนะี่ยมีใครบ้างไหมที่ได้ลูกมาจาอัลลอฮ์ให้ทํางานของอลัลลอฮ์อย่างเดียวนะ่ะมีบ้าวไม่มี มีใครว่างมีลูกสักคนนึงเนี่ยเอาให้เรียนาศาสนาตลอดเลยให้จบด็อกเตอร์เลยจะได้ให้ลูกมารับใช้ศาสนาพวกเราไม่มีครับมีน้อยครอบครัวส่วนใหญ่อยากจะเป็นอินเจนรอยากจะเป็นパイล็อตอยากจะเป็นนุ่นเป็นนี่หาเงินหาทองทีสกีบนดุนยาใช่ไหมแต่คนที่คิดถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีกี่ครอบครัวอยากจะให้ลูกมีาศาสนาให้ลูกมีคุณธรรมรับใช้งานของอัลลอฮ์แบบนบีสุขรียาที่มีลูกโอ้อัลลอฮ์อยากได้ลูกผู้ชายสักคนหนึ่ง เอาไว้ข อ, อนิมุดีมารับใช้งานศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาละเห็นไหมพี่น้องใน ง, ง้นต้องอาศัยศาสนาทั้งหมดเลยพี่น้องพี่น้องพน้องเคยนอนตามสุนนะนบีหรือเปล่าเคยเป่านอนตามสุนนะนบีที่มีผลระบุญนันนอนยังไงรู้ไหนี่ก่อนจะนอนเาไปแปลงฟันก่อน นี่แพทย์เอาไปพิสูจน์แล้วถูกต้องเลยแต่น บ, บีพูดเป็นหนึ่งพันสปีก่อนจะนอนไปแปลงฟันก่อนอ้าพูดอย่างแปลงฟันนิดหนึ่งพี่น้องการแปลงฟันนี่นะมีอยู่สองระบบระบบหนึ่งใช้แปลงสีฟันกับยาสีฟันเจะเป็นยี่ห้ออะไรอยู่ที่ท่านๆฉันเลือกเองใช่ไหมเราก็แปลงฟันถูถูถูถู ถ, ถ, ถูการแบคทีเรียใช่หรือไม่ใช่แบคทีเรียเนี่ยวันแลามันเกิดในปากในปากมันเหม็น พอแปรงซีฟันปั๊บเนี่ยแบคทีเรียหายไปหมดเลยและอีกแบบหนึ่งก็คือแปรงซีฟันใช้มิสวากอะไรนะไม้คอยอาช้ไม้คอยใช้ไม้ค่อยนี่เป็นการอะไรนะทำลายแบคทีเรียบลนกันทั้งทั้ ง, ท, งทั้งสองรายการนั่นแหละจะใช้แปรงซีฟันยาซีฟันก็ทําลายแบคทีเ ria มาให้ปากเหมบน ชามิสวาก็ทำลายแบคทีเรียไมาให้ปากเหมน็นอุลมามุสลิมนักวิทยาศาสตร์มุสลิมไปเอาสองรายการนี้ไปวิจัยพลเพิ่งออกมาเนี่ยผมได้รับเอกสารพอดีปรากฏว่าคนที่แปลงสีฟันด้วยยาชายยาสีฟันเนี่ยขจัดแบคทีเรียนานได้แค่40บนาทีเท่าไรไปน้องนานกี่นาทีนะ40นาทีถึงถึงชั่วโมงวป่า ไม่ถึงวิจัยออกมาแล้วดีมหม ก, ก็ดีถ้่สิบเที่ดีเราทำเรล่อยๆดีปล่อยปากเหม็นใช่ไหมปากเหม็มนอลอพอใจัหมอลอไม่พอใจพระยาก็ไม่พอใจลูกก็ไม่พอใจประนั่งประชุมวิญญากับปากเหม็นใครใครพอใจไม่มีใครพอใจไปน้องเอามาดูการมิสวาช่อะไรนะใช่ใช่ไม่คอยตามนาบีตามสุภาพบ้านนบีรักษาปากให้สะอาดด้วย แต่ไม่ให้แบคทีเรียขึ้นนานสองชั่วโมงนี่ไครีปน้องไปวิปจัยออกมาแล้วเห็นไหมไม่ไม่ข่อยเนี่เอาลอยที่แรกผมก็แอนตี้ไม่ข่อยเหมือนกันนะผมแอนตี้ลึกๆดีนิดาะว่าฮไม่ข่อยไม่เอาไม่เอาเอาแป้งดีกว่ามันดีนะมันโก้ดีนะกาเขาโฆษณานอะไรนะตามทีวีด้วยเอย พ่ออ่านหนังสือวิจัยรับออเฮ้ยนาบีใช้มิสใช้มิสว า, ายใชไรนะใช้ไม่คอยนาบีใช้ไม่คอยสมัยก่อนแปลงสีฟันไม่มีการใช้ไม่คอยพี่น้องครับเป็นการรักษาเหงือกรักษาฟันแล้วก็ทำไม้ฟันเนี่ยนะนะมีเงาวสวยอลัลลอฮฺอักบัดนานกี่กี่นาทีพี่น้องสองชัวง่วโมงถ้าใช้แปลงท่าไร สีนาทีพี power, power, power. We mos, like ่น้องก็เลือกเอาไปใช้เองก่อนละกันว่าจะเอายังไรดีจะเอาสีสิบนาทีก่อเชิญจะเอาสองชั่วโมงเชิญถ้าสองชั่วโมงเหมือนใครเหมือนท่านนบีมูฮัมมัดเราสักพี่น้องทําอะไรอิงอิงนบีดีกว่าเพราะอิงนบีเรามีความสุขมากเลยละฮะบุลเลดาจากนี้อิงนบีหมายถึงอินอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตะอาลาแทบารักัลล์ดีบียัดิลมุลกุ ความจำเริญยิ่งแต่พระผู้ทรงพระหัตถ์ของพระองค์คืออาณาจากักอโลคุ้มจักรวาลนี้ทั้งหมดคุณน้คุ้มเราด้วยนะแล้วก็และพระองค์คือผู้ผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับที่เรานั่งประชุมกันในวันนี้อลัลลรู้เป่ า, เาถามรู้หรือไม่รู้รเห็นไหมรเราบังเอิญ จัดงานด้วยความบังเอิญหรือว่าอัลลอฮ์ ก, กาหนดมาก่อนแล้วอัลลอฮ์ ก, กาหนดมาก่อนแล้วไม่มีอะไรบังเอิญที่มาประชุมกันในวันนี้ในห้องนี้แลยมีทั้งโอ้โหอะไรนี่ทวงทีวีถ่ายกันเต็มไปหมดพี่น้องไม่ใช่มาด้วยความบังเอิญอัลลอฮ์ ก, กาหนดไว้ทั้งหมดพี่นอ้องทั้งหลายอ่าพี่น้องครับขอยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งพี่น้องรู้จักนาบียูนุสไหมนายบียูนุสน่ะอยากบาอกคได้ยินชื่อใช่ไหมอ่า นบียูนุสเนี่ยอลัลลอฮ์ส่งมาทำงานาศาสนาะส่งมาทํางานศาสนาแล้วก็สอนสอนสอนแต่ชาวบ้านไม่เอาชาวบ้านไม่เอาอ่ะก็คนแบบเรานี่แหลพะพอชาวบ้านไม่เอาเนี่ยใจเป็นไงหายไปแล้วเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นจะสอนใครเมียก็ไม่เอาลูกก็ไม่เอาโต๊ะไม่เอ า, เอากีไม่เอา พี่น้องญาติทางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่แอนตี้ศาสนากันหมดเลยท่านก็เสียใจฉันทิ้งแล้วไม่ไปแล้วไม่เอาไม่สอนแล้วลงเรือในพี่น้องการจะไปให้ไกลเลยอลัลลอฮ์บอกไม่ให้ไปให้อยู่ตรงนี้แหละอลัลลอฮ์ไม่ให้ไปในพี่น้องนะคนลงเรือเรือมันจะจมอะก็ต้องจับฉลากต้องออกคนหนึ่งจับฉลากทีไรก็เจอยูนุสยูนุสยูนุสเอ็นต้องออก พอออกลงเรือปลาปลามานะพี่น้องปลามาอยู่ในท้องปลาพี่น้องตอนอยู่ในท้องปลานะ่ะน บ, บิยูนุสนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละต้องการจะบอกให้ท่านพี่น้องว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่เห็นนะเห็นน บ, บียูนุสอยู่ในท้องปลานึกถึงอัลลอฮ์ตอนอยู่ในท้องปลานึกดุอาบทนี้พี่น้องจํำมาไปรชานได้ทุกวันเลยนะ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين แปลว่าอะไรล้อิลาฮะอิลลอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพพักดีนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะกะมหาบรสุยิ่งแอัลลอฮฺอินนีกุนตุมินัอิมน แท้จริงฉันเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะักล้อเล่นอะไรอาธรรมเป็นคนเลวคนหนึ่งว่าอยู่ในท้องปลาน่ยข้างบนได้ยินมาลักาถามยาอัลลอฮ์นี่มันเสียงใครอ่ะขึ้นข้างบนมาลัยกาได้ยินหมดเลยอ่ะนี่เสียงใครเนี่ยเสียงเหมือนกับคนป่ว ย, ยไม่สบาย แล้วก็ไม่รู้ว่ามาจากมุมไหนของโลกก็ไม่รู้เนี่ยขึ้นมาเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนมุมที่แปลกๆมากเลยนะเลาบอกว่าคุณไม่รู้อเสียงยูนุสแล้วก็เป็นไงอ่ะอลเราอยู่ในท้องปลาเราบอกอยู่ในท้องปลาบรรดามาเลกาทางวิญญาณเลาไม่ช่วยเนะไม่สงสารเนะช่วยช่วยเดี๋ยวจะช่วยอัลเราสั่งให้ปลาเนี่ยคลาย นบียูนุสไปไว้ที่ไหนนะที่ชายชายทะเลชายหาดไปปล่อยไปที่ไ น, นพี่น้องครับผมต้องการจะบอกท่านบิ่นองว่าเรานั่งอยู่ในห้องนี้ไม่ใช่อัลลอ์ไม่รู้อัลลอ์ไม่เห็นเห็นหมดวันในใจของผมคิดอะไรใจท่านบิณนองคิดอะไรและผมพูดเรื่องอะไรท่านบิ่น้องขอดูอาต่อพมพ้องกันในห้องนี้เราเรานะฟังไม่ออกใช่ไม่ใช่แค่สิบคนคุยเราฟังออกไหม อ่ามีเรามีลูกห้าคนแล้วพ่อพ่อขอทุกอนนี่ให้ยมึอพูดทีละคนไม่ได้นะพ่อจะฟังพี่น้องก็เป็นน้องนั่งอยู่ในห้องนี้ต่างคนต่างขออัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ละคนนี้ขออะไรมุสตา ฟ, ฟาขออะไรท่านขออะไรอัลลอฮ์รู้หมดพี่น้องรวมไม่ถึงพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นู่นน่ะมักกะน่ะเวลาไปทําอะไรทําพะเยะใช่ไหมทุ่งทุ่งอะไรนะทุ่งอาราฟะอยู่เป็นล้านใช่ไหม ทุกคนทั้งร้องไห้ทั้งขอนะ่ะอัลลอฮ์รู้ว่าคนนี้กำลังขออะไรอยู่คนนี้ขอลูกอันนี้ขอเงินอันนี้ขอบ้านอันนี้ขอรถอันนี้ขอที่ดินอันนี้ขอโรงเรียนอันนี้ขอ university อัลละฮ์รู้หมดพี่น้องฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอัลลอฮ์ไม่รู้นี่ไงอัลลอฮ์อัลลกุลีชายอินกอดีอัลลอฮ์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีอี إ ي ่านเพิ่มฉะนั้นพี่น้องครับในคัมภีรกุรอานอธนะิบายบอกว่า ถ้านาบียูนุสนี่นะไม่สรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนหน้านี้คือเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นคนนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ขอดูอาฮ์ต่ออัลลอฮ์มาเลยก์กาเห็นความดีนะ่ยขึ้นไปข้างบนทุกวันขึ้นข้างบนทุกวันเข้าบัญชีอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนข้างบนงบนดแล้ววันนี้เนี่ยทําไมเสียงมันเบาๆเพราะอะไร เพราะว่าอยู่ในท้องปลาพี่น้องครับพออยู่ในท้องปลาเนี่ยเสียงแทงที่มันจะชัดกลับไป น, นะกลับเบาลงข้างบนรูหมดเลยพี่น้องเพราะนั้นเวลาพี่น้องมีความเดือดร้อนมีปัญหาเรื่องของตัวเราเองอะไรพี่น้องดูอาตรงนี้พี่น้องอย่าลืมนะเอาไปใช้ได้ทุกเวลาเวลาอึดอัดใจอยู่ที่บ้านลูกดื้อบ้างมีปัญหาบ้างอยากพี่น้องด่าเรามาบ้างเราดูข่าวสบายใจไหม ไม่สบายใจทำไงดีไปอาบน้ำน้ำมาด ก, ก่อนมาอาบน้ำมาสองรบอบก็อาดสุดท้ายก็ขอดุอาบที่นี้ il ta, um อิลละอิลละอันตะสุบฮานะกะอินนีกุลตูมีนาะลอเลมีนต่อมาอายาที่สองช่วงผมผมเอากุรอ่านสุรา่านี้ผมตับซีสอนที่ทีวีเลเอาทีวีเย คใช้เวลาเกือบสองเดือนนะสาสอายะน่เกือบสองเดือนน้ออายะที่สองนะครับ a ل l ā h i khalqal mauta wal hayatali yablu akum ayyukum ahsanu a m a l l a h u akbar ดีหมดเลยนะ อัลลอฮฺดีคอละกอลเมาตนะครับพระองค์ผู้ทรงกำหนดความตายคอละกอลเมาตอัลลอพี่น้องถ้าอยู่แล้วไม่ตายดีไหมถามท่านพี่น้องอยู่แล้วไม่ตายดีหรือไม่ดีดีไหมพมุดไม่ดีนะ่ออยอัลลอฮฺถ้าอยู่ไม่ตายนะ่ะยุ่งกันนะ่ะ มาเรายังไม่ตายเลยกีก็ยังไม่ตายอยู่คนโอ้โเต็มไปหมดเลยเนี่ยนั่นพอตายเนี่ยอลัลลอฮ์เนี่ยอลัอลอลอฮ์กำหนดไว้เป็นเรื่องดีทั้งหมดอย่าไปฝืนคําสั่งอลัลลอฮ์ขอลกอนมาอลัาอลลอฮ์กำหนดความความตายวัาฮายะแล้วก็ความเป็นถามว่าลีย่าบัลลูวากุมให้มีตายให้มีเป็นให้มีเป็นแล้วก็มีตายมีทําไมพี่น้อง ลียาบลูวะกุมตรงนี้คือเป้าหมายของการที่เราอยู่บนโลกใบ น, นี้เพื่ออะไรนะเพื่อทดสอบนี่ไงทดสอบไปน้องลียาบลูวะกลุ่มอรรถรสทดสอบท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ก็เป็นการทดสอบทดสอบผมทดสอบท่านพี่น้องทดสอบอาจารย์อัลลุกอนีทดสอบตากรองตาก้องหมดเลยพี่น้องเอ้า ใครมาวันนี้จะได้คะแนนตอบแทนจากอัลลอฮ์บ้างบางคนมาคะแนนลบขาดมีไม่ถูกตัดอลัลลอฮ์มันไส้ตัดเลยแต่อีกคนเลี้ยงคะแนนเพิ่มพี่น้องมันอยู่แค่สองอย่างนะไม่ถูกตัดคะแนนก็อะไนะก็อลัลลอฮ์เพิ่มให้คะแนนพี่น้องคือเป็นอย่างนี้เวลาพี่น้องอ่านอ่านดวอาตอนตอนไหนนะตอนยกมือตะกบีนะ ว فَطَرَ จห์ตัวว و َีอัลลอ ل ฺดَฟาตอรَส sama วะติวัลอั ا ฮันَ ا ามุสลิมาวะมะอะนามิณล์มุชริกินอินนาะสِลَาตีอัตเตอร์ุนีอินนาะสัลลาตีแท้จริงการนามัยของฉันวาณูสุกีการเสียสละของฉันวามาฮยาการมีชีวิตของฉัน วามามาตีและความตายของฉันลิลละฮิรบบิลลาละมินทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดอธิบายยังไงคือทำแล้วอัลลอฮ์ต้องพอใจสอลาตินมานามาแล้วอัลลอฮ์ต้องพอใจอัลลอฮ์ให้คะแนนบริจาคนี่กับบริจาคเวลาเพื่ออัลลอฮ์ต้องได้คะแนน แล้วก็ว่ามาหยายาอะตอนมีเรามีชีวิตอยู่ในวันยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องได้คะแนนตอบแทนต้องได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ตอนตายก็ต้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถามว่าทํำยังไงพี่น้องนี่เรื่องใหญ่เลยพี่น้องนะแคนั้นการที่มานั่งฟังศาสนาวันนี้ต้องมีคะแนนตอบแทนจากอัลลอฮ์ทำไงมีคะแนน อ่าพอเขาจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำชาทำยังไงดื่มน้ำให้มีรางวัยตอบแทนจากอัลลอ์วิธีกินต้องกินยังไงกินตามใครต้องกินตามนาบีที่อัลลอฮ์ส่งนบีมานะเพื่อมาเป็นแบบอย่างพี่นอ้องอ้าวจับมือไหนมือขวาแล้วก็อ่านไงบิสมิลลาห์ว่าค่อยๆก็ะดาษพี่น้อง แล้วก็ดื่มครั้งแรกเนี่ยกี่อึกไม่ให้เกินสามอึกนี่นบีสอนแล้วก็ดื่มครั้งที่สองอย่าหายใจในขณนะดื่มนาะไม่ใช่อะไรนะกินไปก็ดื่มไปมันไม่ต่างอะไรกับแพะมันมันแพะมันมันอูดนั่นมันวัวสังเกตมาแล้วเวลาผมอผมเลี้ยงทั้งวัวทั้งแพะเลี้ยงหมดเลยใช่ไหมค พ่ามันจุ่มหัวลงไปในกระป๋องนะถ้าไม่หมดกระป๋องมันเงยหัวัหมไม่เลยมันต้องกินจงเลี้ยอะไรไปองเงยหัวขึ้นมาเราไม่ใช่วัวนี่พี่น้องเราเวลาจะจ ะ, จะทำงานสักอย่างต้องนึกถึงใครนะนึกถึงนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะสัลส ล, ลัมกีพูดยังนอนนิดหนึ่งยังไม่จบเลย <c oughs> หนึ่งตอนจะนอนทำไงอาบน้ำน้ำมาดเสร็จแล้ว แปรงฟันก่อนแล้วอาบน้ำนะำมาเสร็จแล้วมะตะปัดที่นอนคาว่าตะปัดที่นอนดึงที่นอนให้มันตึงด้วยนะแล้วก็ตะปัดที่นอนขยะมันก็ออกง่ายอะไรก็ออกง่ายหมดไปน้องแล้วก็นั่งยกมือขึ้นเห็นไหมเป่าก่อนแล้วก็อ่านที่หลังอ่านว่าอะไรกุญหัวลอหุอาฮัดอัลลอฮุซมอ่านให้จบนะแล้วก็ สุราที่สองคุณอุตรับบิลฟลักมิ่นชัริมลักวามินชัริสิินิวะบวมินชัรินฟซาติิลอาอุว่ามินชัริสิดิิะัสตราที่สามคุณอาอุรับบินนอ่านให้จบนะเตาก่อนนะแล้วก็อ่านที่หลังแล้วก็ลูกที่หน้าศิสะข้างๆ ข, ข้างหน้าข้างหลังทาําตามใคร นะดีหมอมหาสุรามสลามแล้วก็พอจะนอนจริงๆให้เอามือจับมือขวาจับแก้มขวาตะก็นอนจากทงเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็ตามไปอัลลอฮฺุลเาอิลาฮิลลาหฺวะลัฮฺุลกัยยุมละตะฮุซุฮฺที่ที่กอรีอันมุตะกี้เนี่ยใช่ไหมละตะฮุซุฮฺซินะตุวะลาหนำดะฮฺมะฟิสซามะวะติวะมะฟิลั ทำอย่างนี้ถูกคือเหมือนใครเหมือนนบีถาวรนอนแบบนี้ได้คะแนนไหมไคน น, นี่ไงพี่น้องครับอินนอโซลาตีวานุสูกีการนามานของฉันต้องทำห้เหมือนนบีให้หมดพี่น้องแล้วก็วานุสูกีการเสียสละสละเวลาสละเงินสละร่างกายให้อัลลอฮเห็นแล้วพอใจวะมะฮยายะตอนเรามีชีวิตอยู่ในพี่น้อง วันวันนึงเราอยู่จะมีชีวิตอยู่นึกถึงซุนนะนะบีนะบีออกจากบ้านอ่านอุอาเปล่าอุอาบทไหนบิสมิลลาฮิราะห์วะ ล, ล, ลาฮิวะลาฮูวะตะิลลาบิลาอ้าวรถจอดอยู่หน้าบ้านก่อนจะเคลื่อนรถอ่านอุอาใช่ไหมนี่ตามซุนนะนะบีทั้งหมดไปนอ้องถามว่าจะอยู่อย่างนี้แล้วได้คะแนนเพิ่มไหม โอ้โหได้คะแนนเพิ่มทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นเราต้องอะไรนะไม่ให้คะแนนถูกตัดถูกตัดถูกตัดไม่เอ้าต้องคะแนนเพิ่มคะแนนเพิ่มอินนัสซาลติวานุสูกีวามัคยาะวามามาติลิละฮิรบบินาแต่มีการเตือนตัวเราเองบอกว่าวันหนึ่งยีชั่วโมงต้องอยู่แล้วมีคะแนนมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาเพราะ เราเนี่ยถูกสร้างมาลียับบลูวาคุมเพื่อทดสอบมนุษย์เราอยู่ในอายะที่สองนะพี่น้องอัลลอี่ خلق ا ل م <لا> و والحياة لِيَبْلُوَكُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور เอาล้์ผู้ทรงกาหนดความตายนะครับแล้วก็ความเป็นให้คนตายให้คนเป็นพี่น้องเพื่อจะทดสอบตรงนี้แหละระหว่างที่เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้อ ง, งอายุสูงสุดของคนเนี่ยพี่น้องเท่าไรหร่รู้ไม่พี่น้องประมาณการเท่าไหร่ ระหว่างหกสิบกับเจ็ดสิบผมเนี่ยอายุสามสิบจะครบร้อยี <g les> <g les> ่น้องเราเนี่เพื่อการทดสอบทั้งหมดไปน้องเนี่ยเพื่อการทดสอบทั้งหมดผมขอเล่าว่าเอาลอดทดสอบอะไรเราพี่น้องทดสอบให้สบายเราไม่บ่นเลยี่น้องนั่งกันเงียบหมดเลยใช่ไหม ให้มีเงินให้มีบ้านให้มีที่ดินให้มีรถให้มีลูกให้มีภรรยาทุกคนนั่งกันเงียบหมดเลยต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆคนที่อัลลอฮ์ให้นะให้เขามีความสุขมีนูน่นมีนี่เนี่ยพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์มีเป้าหมายนะเพื่ออะไรถูกไหมเพื่อให้เขาได้ขอบคุณอัลลอฮ์จะท่านก่อนนอนพี่น้องก่อนนอนนะ อ่านดูองค์ดูอาที่ผมแนะนำเมื่อกี้เนี่ยแปลงแป ล, ง, ปลงฟันให้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นภรยาของของสามีนะต้องใส่อะไรนะใส่เครื่องหอมเล็กๆในน้อยอย่ามองอย่าใส่นะอ <c oughs> <c oughs> ย่ามองนอย่าใส่ <c oughs> นะนี่ถาว่าทมตามใครทาตามนบีลียาบลูกากุมทดสอบ เอาล่ให้เป็นภรรยาของสามีทำทำให้สามีมีความสดชื่นทำยังไงต้องทาตามนบีนี่แหละแต่งตัวสะอาดสอาดสวยๆเอาล่ะแล้วก็อาบน้ำให้สะอาดแต่งตัวสะอาดๆแล้วก็ใส่เครื่องหอมเล็กๆน้อยๆนี่นบีสั่งอนะอยู่ในบ้านให้ใส่เครื่องหอม ได้ผลละบนตอบแทนจาก Allah. อัลลอฮ์อ่ะทีนี้ลียบบลูวะกุมก่อนนอนพี่น้องครับพออ่านอุอาจบแล้วพี่น้องนั่งนึกก่อนบ้านที่อัลลอ์ให้มาอัลลอฮ์วางนี้ครับว่าเป็นภาษาอับอัลลอฮุมมัลลการฮัมดุวัลการชูครโอ้อัลลอ์ขอคุณอัลลอ์การสรเสริญเป็นของอัลลอ์นึกถึงบ้านอัลลอ์ให้มา มองดูที่ดินอัลลอ์เป็นของเราเองสนวนของเรามีอยู่ร้อยตารางวาอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮุมมาละกาชุกหรวะละกาลฮัมดุขอบคุณอัลลอ์ไปเห็นภรรยานั่งอยู่อัลลอฮ์นี่ภรรยาอัลลอฮ์ให้มามองหน้ากันก็นได้หอมกันก็ได้จับมือถือแขนไม่บาปเลยเพราะดิกาถูกต้องแล้วไปร้องใครไปจับคนอื่นหละเป็นไงโอ้โหเห็นไหมขอบคุณอัลลอ์ ไปเห็นลูกอัลลอฮุมอักบรลูกยืนนมาตอินชาลพ่อเห็นแม่เห็นอัลลอฮุมมัลลากัลฮัมดุวัลลกัชชุกรออัลลอฮ์ให้มาพี่น้องรถจอดอยู่ที่บ้านน่ะสามคันของภรรยาคาันสามีคันลูกอีกคันหนึ่งอัลลอฮุมมัลลากัลฮัมดุวัลลกัชชุกขอบคุณอัลลอฮ์ที่ Allah อัลลอฮ์ให้มาพอกูอ่านตรงนี้ลียาบลูวากุม อัลลอฮ์ให้มาเพื่อการทดสอบว่าเวลามีริสกีของอัลลอฮ์มีเครื่องยังชีพที่สะดวกสบายเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์หรือเปล่าพี่น้องนี่ค่ะลียาบัลูวาคุมจะนี้บางคนอัลลอฮ์ทดสอบให้มีให้มีอะไรให้มีปัญหาให้มีความเดือดร้อนก็เป็นการทดสอบเหมือนกันว่าเราจะเอาอะไรมาแก้แก้โดยความคิดของเราเองหรือก็แก้ตามหลักการของอัลลอฮ์และรอซุน พี่น้องครับชค่นี้แค่นี้ปัญหาอ่ะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งผมอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยภาษาอูนดูมีอยู่ครอบครัวหนึ่งพี่น้องมีลูกเนี่นะเป็นผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงผู้หญิงคนที่สองก็ผู้หญิงที่สามผู้หญิงที่สี่ผู้หญิงที่ห้าลูกผู้หญิงที่หกพอลูกคนที่เจ็ดกำลังท้องอยู่เนี่ย สามีก็บอกว่านี่นาะท้าวาเธอคลอดลูกเป็นผู้หญิงคนที่เจ็ดนะยากันเลยนะเลิกกันเลยไม่เอาแล้วฉันต้องการลูกผู้ชายผู้หญิงก็เสียใจเอลอ่ลูกคนที่เจ็ดนะั่นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่สามีพูดไว้แล้วถ้าเป็นลูกผู้หญิงเลิกพี่น้องผู้หญิงก็มีาศาสนาน่ะก็บอกอาการกําหนด ให้เป็นลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราหรือของอัลลอฮฺของอัลลอฮฺทีนี้อัลลอฮฺเมตตาครอบครัวนี้สามีเนี่ยตกกลางคืนนะนอนฝันนี่เวลาเราจะช่วยนะช่วยครอบครัวนี้ไปน้องให้สามีภรรยาก็มีความสุขให้อยู่ต่อไปอัลลอฮฺช่วยช่วยแบบหไหนหรือไม่ให้สามีนอนฝัน พอฝันเสร็จแล้วก็ฝันอย่างนี้ฝันว่าเกิดวันเกียรมาพอเกิดวันเกียรมาเนี่ยอัลลอฮฺตัดสินให้ผู้ชายคนนี้นะ่ะลงนรกตัดสินไปไหนไปนรกทีนี้มลายิกาก็พาเนี่ยพาชายคนนี้นะ่ะพาไปลงนรกไปขุมที่หนึ่งไปเจอลูกสาวยืนที่ปากประตูปากประตูนรกอ้านวนจะพาพ่อเนี่ไปไหน ไม่ให้ตกไม่ให้ตกไม่ให้ตกมาเลก้าพามาขุมที่สองอีกเพราะนรกมีอยู่เจ็ดอะไรนะเ จ, เจ็ดขุมด้วยกันพามาขุมที่สองมาเจอลูกสาวคนที่สองยืนอยู่ที่นี่อีกนี่จะพาพ่อฉันไปไหนเอาไม่ให้ไม่ให้ตกไม่ให้ตกพ่อก็ดีใจ อ, อ๋อลูกสาวฉันเนี่ยช่วยฉันได้พามาขุมที่สามมาเจอลูกสาวคนที่สามขุมที่สี่เจอลูกสาวเพราะลูกก็มีหกคนแล้วใช่ไหมล่ะผู้หญิงหมดเลย แต่คนคนที่เจ็ดเนี่ยพูกกับภรรยาว่าถ้าไม่ลูกผู้หญิงนะเลิกที่หนึ่งเจอลูกที่สองเจอลูกสามที่สามเจอลูกสาวที่สี่เจอลูกสาวที่ห้าเจอลูกสาวที่หกเจอลูกสาวยืนอยู่ตอนนี้พอจะออกมาขุมข่มที่เจ็ดใจมันึก <c oughs> แล้วใครจะไปยืนประตูที่เจ็ดเนี่ยอย่ารอตกใจตื่น พอตกใจก็ยกมือเลยค่ะทั้งตาลลำบากกันแล้วย่าอัลลอฮฺอัลลอฮุมมาขอลูกคนที่เจ็ดด้วยเธออยาอัลลอ์เป็นผู้หญิงอีตอนกังวันนะดาภรยาพอฝันปับ๊บยาอัลลอ์ขอลูกผู้หญิงคนที่เจ็ดด้วยเธอทำไมละ่ะเพราะช่วยได้ไม่ให้ตกนรกให่ไหมพี่น้องอัลลอ์ทดสอบทุกครอบครัวให้มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่เมื่อมีปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหามันมีอยู่แก้โดยหนึ่งแก้ตามที่อัลลอฮ์บอกผ่านนาบีกับแก้โดยไม่เอาระบอบที่นบีมาสอนใช้ปัญญาเองหรือว่าแก้ตามบทละครทีวีที่เราดูกันอยู่มีสองอย่างนั่นแหละใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ดูละครมาดูละครก็เมันมีปัญหาปั๊บนึกถึงพระเอกนางเอกก่อนเออมันแสดงยังไงกูทําตามมันผลบุญไหมไหมเหนื่อยไหม อุสาขึ้นเสียงดาดาดา ด, า, ดาร่วมตายผลและบนมีเป่าการเป็นน้องวิธีแก้มันมีมั้มมีครับลียับบรลูวักกลุ่มอัลลอฮ์ทดสอบ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท่านทั้งหลายให้มีปัญหาโดยการทั้งนั้นแหละทีนี้อัลลอฮ์มองยังไงครับอดูต่อไปลียับบรลูวักกุม่มอายุกลุมอัลซนุอาลตรงนี้ตรางหากครับคือทางออกว่า ใครในหมู่สูเจ้ามีผลงานที่ดีเลิศกว่ากันเห็นไหมคนจะมีผลงานที่ดีที่ที่ดีเลิศกว่ากันนั่นน่ะพิจารณาจากไหนว่าใครเข้าใจหลักการาศาสนาคนนั้นแก้เอาหลักการอิสลามมาแก้เห็นไหมเพืนออ่น้องเนี่ไงจะนั่งการมีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครของ อ, อัลลอฮ์เพราะนั่นการพี่กุปการอธิบายอย่างนี้ บางครอบครัวอัลลอให้ลูกผู้ชายอย่างเดียวบางครอบครัวอัลลอให้ลูกผู้หญิงอย่างเดียวสองแล้วนะบางครอบครัวอัลลอให้ลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายใช่ไม้มลูกผู้หญิงคนผู้ชายคนหญิงคนชายคนหญิงคนชายคนบางครอบครัวผู้ชายล้วนๆเลยจ่ายหมาฮัตอย่างเดียวใช่ไม้มลูกผู้หญิงอย่างเดียวก็มีบางครอบครัวรับหมฮัตอย่างเดียวใช่ไห แต่บางครอบครัวลูกไม่มีเลยมีไหมไม่มีอะตัวโลครอบครัวที่บนโลกนี้มีอยู่สี่ครอบครัวหนึ่งลูกผู้หญิงอย่างเดียวสองลูกผู้ชายอย่างเดียวที่สามมีทั้งหญิงและชายอีกครอบครัวหนึ่งไม่มีลูกเลยมีอยู่สี่เป็นหน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราของใครอัลลอฮ์ทดสอบนังไงพี่น้องที่พอมีลูกแล้วครับพี่น้องจะดูแลลูกยังไงก็เป็นการทดสอบอีกอย่า บางคนดูแลลูกเป็นบางคนดูแลลูกไม่เป็นทีนี้ท่านนบีสอนอย่างนี้ดูแลลูกเนี่ยพี่น้องครับให้สอนสองสองเรื่องพอหน้าที่ของพ่อแม่นี่นะให้ดูอบรมลูกแค่สองเรื่องเท่านั้นแหละให้มันจริงจรงหนึ่งอบรมลูกให้มีศาสนาสองอบรมลูกเรื่องมรารยาท อืมเรื่องมารยาทพี่น้องมารยาทของอิสลามนะไม่ใช่มารยาแบบตะ ว, วันตกนะมารยาแบบอัร่อยแล้วรัดูดคําว่าศาสนาพี่น้องหนึ่งต้องสอนลูกให้หร้นะ่ะให้นามาให้ครบวันละเกวเวลาที่นึงวันลอยนามาที่เวลาคือเจ็ดทุ่หกห้าพี่น้องที่ไหนที่ไหนก็ให้เวลาทั้งหมดหละอบรมลูกให้นามา แต่นี่คนที่น้ำมนะันต้องเรียนกี่วิชาตรงเรียนกูอ่านใช่หรือไม่ใช่เรียนน้ำมาตัวเรียนดูอาใช่ไหมเห็นไหมแล้วตรงเรียนวิธีการอาบน้าน้ำมันใช่ไมนี่เป็นน้องปุ๊ดจีนหมดอย่าง <c oughs> ตุ๊ดจีนหม ด, ยหมดยอย่างหมดอย่างเป็นน้องสังเกต น, นะ เี่น้องชาวจีนเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบูชาไฟก่อนเลยใ ช, ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ที่ไหมกันวนซื้อเนี่ยที่ไหนอ่ะนั่นไหลายหลังกระตาไปกี่คนอ่ะสี่คนนะเห็นไหมพอต้องมีไฟเข้ามาไฟเข้ามาไฟเข้ามามาดูของอิสลามอิสลามเริ่มต้นจนากนามชาอะไรนา ม, มเห็นยังอ่ะมาจากไหนอเดี๋ยคิดเองเหรอ ถ้ามีคิดไม่ออกพี่น้องอลัลลอฮ์ให้มาใช้ปัญญาสิอลัลลอฮ์เราเริ่มจากน้ําพี่น้องชาวจีนของเราผมมีญาติจีนก็เยอะเริ่มจากไฟก่อนเห็นไหมแต่ของอลัลลอฮ์เราซูนเริ่มมาได้ก่อนน้ำแล้วเป็นไงอลัออลออลอฮ์บอกว่าคิดถึงอัลลอฮ์ อ, อลัลลอฮ์ให้แนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตไปดีมากพี่น้องทั้งหลาย มีลูกเป็น้องอบรมลูกให้มีาศาสนาให้นามาตย์ทก ว, วันทุกเวลาเรื่องาศาสนาเรื่องบรญญัติเรื่องอัลลอฮ์ให้ลูกฟังอัอลลอฮ์อยู่ที่ไหนอย่ามาถามเถื่อนที่นี่เลยตอบไม่ได้ไนงะมาถามตั้่หางหางอาลัลลอฮ์มีกัแล้วกันพอแล้วลูกถามพ่อพ่อตอบไม่ได้ด่านดาลูกต่อนี่คือพวกเราอะ่ะพ่อต้องอ่านหนังสือต้องเรียนหนังสือ ดูเถิดล e um. ูกถามจะตอบยังไงเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนเนี่ยพ่อมืนแล้วอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนบัลลังของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าครับอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังบนอาราชอาราชของบางองค์ในเหนือชั้นฟ้าชั้นชั้นที่เจดน่ะเหนือไปอีกไปน้องแล้วบัลลังของอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินอธิบายยังไงเกินความสามารถของมนุษย์จะจินตนาการได้แต่ต้องอธิบายให้ลูกฟัง อร่อยพี่น้องครับยิ่งใหญ่ครับศาสนาอิสลามนะนะต้องอธิบายให้ลูกฟังต้องทําให้ลูกเห็นเรื่องศาสนาพี่น้องอา้าวอะไรบ้างเรื่องศาสนาเนี่ยก่อนจะแต่งกายออกจากออกจากบ้านบทดวอาต้องสอนเปล่าครูสอนที่โรงเรียนแล้วนั่งกอ็อีกรวนอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่บ้านต้องมีศาสนานะครับหนึ่งนะ้ำมานครบใหเวลา บ้านอยู่ติมมัสยิด ต, ต้องพาลูกไปมัสยิดเห็นไหมแล้วก็มารายาเของอิสลามเลยพี่น้องอาบแต่งการแบบอิสลามทานอาหารแบบอิสลามพี่น้องจะกินอาหารพี่น้องหลักการอิสลามสอนเรื่องกินอาหารด้วยวันนี้เรามีสินทรสเต็กเฮาส์อยู่มุสลิมก็ไปสนับสนุนกันเยอะทำดลวยเวลาดีไปไปเจอเนื้อ ส, ส, สเต็ก ปลาสเต๊กเนื้อปับ๊บมีปัญหาขึ้นมาทันทีมือขวาจับช้อนอะไรจับมีดอะไรจับจับมีดใช่ไหมมือขวาเนี่ยแล้วก็มือซ้ายจบอะไรซ่อมรลหรันปึกจึกชึกึใส่ปากเลยมือไหนกินตามใครชาตอ น, ตอนกินตามทำไมอะช้ตอนอะก็แฟช่นหรือเปล่า <laughs> จากอเมริกาจากยุโรปอเมริกากับอังกฤษทะเลาะ ก, กันอยู่วันนี้ยังไม่จว่ากินอาหารมือซ้ายหรือมือขวา คนอเมริกาเองยังทะลอะคนชาติมักเกตอยู่เองกินอานหารด้วยมือซ้ายอีกคนนึงเองอกิงอาหก็คือมือขวายังทะลอะกันอยู่แต่ของอิสลามเดี๋ยพูดชัดเลาตะกูลู บ, บิชิมาร์นินบีศอนท่านทั้งหลายอย่าทานอาหารโดยมือซ้ายฟะอินนชัยต่อนายะกูลบิชิมาลีฮีถ้าจึงชัยตอนนั่นทานอาหารโดยมือซ้าย ถ้าท่านเราไปน้องท่านไปนั่งทานอาหารได้ไหมได้ท่านเน่ยเวลาใช้เม็ด ก, ก็เม็ดมือขวาก็จับก็หันหันกน้อนนี้หกจะชิ้นแล้วก็เอาเม็ดวางกับมือขวาจับทอ้อนซอมใส่ปากถูกต้องตามสุนนะนบีด้วยพี่น้องลียาบัลูว่ากุมอยุกุมอัชซานุฮาม่าใครบ้างบมถูกถูกทดสอบแล้วทดสอบไปกินอาหารใครจะกินอาหารตามนาบีได้มากที่สุด ก็ต้องกินด้วยมือขวาไม่ไปล่องตลาดไอ้ไม่ไปล่องหรยาบลูว่กลุมอัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์เพื่อจะดูว่าใครที่ปฏิบัติรางวัลที่ที่ถูกต้องที่สุดอัลลอฮ์ไม่ได้พูดว่าใครที่ทําความดีมากกว่ากันไม่ใช่ทํางานนอยุกลุ่มอัษฎ์แปลว่าดีที่สุดใครทําถูกต้องตามคําสั่งของอัลลอฮ์ทำตามคําสั่งของท่านนบีมากกว่ากัน ใชไมพี่น้องคี่ต้องอ่านน้านมาตามสุ น, นัานทบีเป็นกันอย่งางเมื่อก่อนนี่เราเรียนน้ำหมาดเรียนวิธีอ่านน้ำหมาเช็ดศีรษะกี่ครั้งกี่ขรังกี่ขรั้ ง, งตัวยอ่อสามนะเดี๋ยวนี้ยังสามอยู่ใช่ไห ม, ม, ม <laughs> ใช่ไหมพี่น้องแข็งยังอ่ะต้องเรียนใช่ไหมไม่ทําไม่เรียนล่ะก็ก็ แคตสามครั้งเดี๋ยวนี้เราเรียนนะว่าแคตครั้งเดียวอัลลอฮเหมือนใครเหมือนใครเหมือนนบีมฮัมมัดเหมเหมือนนบีถามว่นนานบีนใครใครแต่งตั้งมาอัลลอฮแต่งตั้งมาอัลลอฮพูดดังกับคุร์รันว่าไงนะกุลอิมกุนตุมตุฮิบูนอัลลอฮฟัตตาบิอูนีอัลลอฮ์บอกกับมุฮัมมัดเอ๋ยจงไปสอนคน ทาหากท่านทั้งหลายเนี่ยรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันนบีพูดไปน้องท่นของที่นบีนํามามาสอนทั้งหมดนั้นเป็นของที่อัลลอฮ์พึงพอใจที่สุดทําตามนาบีให้หมดไปน้องเอานาบีเข้าห้องน้ําเท้าไหนเอาหัวเข้าหรือเอาเท้าเข้าเอาเท้าเข้าก่อนเท้าไหนเท้าชายเหมือนใครเหมือนนบีนี่ไง ข้าวห้องน้าก็เป็นการทดสอบจากอาะไรยิ่งคนที่เป็นโรคอะไรนะี่ฉี่บ่อยๆเนี่ยโรคอาจจต่อมลูกมากโตนี่มีกับผู้ชายอย่างเดียวนะ <Okay. S 1> วันหนึ่งเดี๋ยวฉี่แล้วเป็นเบาหวานด้วยเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่ข้าวห้องน้ำวันนะ่ะเป็นสิบสิบรอบเนี่ยบางคนผลบุญในการข้าวห้งน้าไม่มีเลยเพราะไม่ได้นึกอ่ะ ขาขาหนายก็ได้มันขาของฉันนะ่ะใข้าบวบขาคุณอลัลลอฮ์ให้มาตทหารจะนั้นทําตามนะบีจะข้าวหกน้ํำนึกถึงโอนนบีเข้าวด้วยเท้าสายก่อนข้าอา่านอัลลอฮุมะอินนีอัลยูบิการบินาลคูบูเซวัลกับบอสพี่น้องระวังนะ่ะอยากจะให้ล่มในห้องน้ํำไหมล่มแล้วก็ตายเลยนะอย่างดีถ้าไม่ถ้าไม่ตายในห้องน้ํากว่าตายข้างนอกสามวันสังเกตสังเกต สามวันน่ะมาตีล่ะเรียบร้อยเวลาลื่นในห้องน้ําโอกาสที่จะลื่นสูงมากถ้าไม่อ่านดวงถ้าไม่เอาเท้าซ้ายเข้าโอกาสลื่นในห้องน้ําสูงมากครับแล้วใครอยู่ในห้องน้ํานี่นบีสอนทั้งหมดนะพี่น้องอ่ามิสเตอร์ชัยตอนอยู่ในห้องน้ําเห็นไหมพี่น้องคอยรังแกมนุษย์ ถ้าเราไม่อ่านดูอานี่ไป น, น้องวัล้วเรเปิดอวัยวะเพศมันเห็นหมดเลยมันตบมืออ๋อดูสิดูสิดู ส, ดสิทางตัวผู้ตัวเมียอยู่ในห้องน้ําหมดเลยนี่ไอเรื่องความอะไรนะั้นก็เราเรทของที่มองไม่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้านาบีมุฮัมมัดไม่เล่าให้เราฟังคนที่จะเล่าคืออัลลอฮ์เล่าผ่านนบี นบีก็มาเล่าต่อให้เราฟังเรื่องเรียกว่าเรื่องเรึนลับทั้งหมดเรารู้ไม่ได้ถ้านาบีมุฮัมมัดไม่เล่าให้เราฟังว่าในห้องน้ํามีอะไรใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอเรื่องต่างๆที่จะทวงชาตอนพี่น้องอยากพี่น้องจะเข้าบ้านพี่น้องนะจะเอาชาตอนเข้าบ้านนะง่ายเดียวเข้าเฉยๆไม่ต้องว่าอะไรเลย บ้านกูจะเข้าเมื่รัยก็ได้นั่นละพาชัยตอนเข้าเป็นกระบุงเลยไปน้องท่านพิธีจะไม่ให้ชัยตอนเข้าบ้านทำไงอัสลามอเลายกุมนี่ดูอาเข้าบ้านแล้วก็ก่อนจะเข้าให้อ่านดูอาอัลลุ ul ul ana, ana, al มะอนนีอัสอลุกะยรลมาลวะยรลมรจบิสมิลลาฮิวลจนาวะบิสมิลลาฮิรจนาวะอัลลอฮิรบบนตะวักกนาพบอ่านตัว กลัวพี่น้องนี่เป็นตัวอาเข้าบ้านพี่น้องทำไมต้องอานอนะก็เป็นการทดสอบเราอนะ่ะหรือยับลูวากุมอยุกุมอัพซันวามาลามีใครบ้างที่ทำงานที่ดีที่สุดมาจึงทำตามสุนนะนบีอัลลอฮ์พี่น้องเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวพี่น้องยึดนบีเป็นแบบนะ จะกินอาหารนึกถึงสุนนนาบีจะนอนนึกถึงสุนนนาบีจะแต่งกายนึกถึงสุนนนาบีพี่น้องตอนยือนอยู่หน้ากระจกนะ่ะอ่านดุอาได้กันหรือเปล่าจากกรณี้ต้องสอนแล้วงานเนี่ยท่านอัลลอฮุมะฮัซซันตะคลกีฟาฮัสซินคลกีว่าแค่นี้เองโอ้อัลลอฮ์อัลล์เนียสร้างรูปร่างของฉันเนี่ย สวยมากเลยอ้าวใครมองหน้าตัวเองไม่สวยมีไหมไม่มีนะอัลลอฮ์ขนาดแก่แล้วนะยังมองดูสวยอยู่เลยนี่อัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์อักบัดขนาดผมงอกแล้วนะยังเก๋นะแ น, น่ยังมองเก๋เลยนะนี่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ฮุมมักะมาฮัสซินตะคลกีโออัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างรูปร่างฉันเนี่ยสวยมากฟาฮัสซินคลุกี แปล่าโอ้เอะอล้อบทธรรมมารยาทของฉันเนี่ยให้ดีพี่น้องมารยาทให้ดีแค่นั้นที่นบีสั่งนะพ่อแม่ดูแลลูกสองเรื่องพอเรื่องความรู้เนี่ยหาจากสถาบันหาจากโรงเรียนหาจากมหาวิทยาลัยแต่ไม่หาจากวารสารอ่านเอาเองแต่เรื่องที่บ้านนะสอนสองเรื่องหนึ่งให้เข้าใจศาสนาสองให้มีมารยาทแบบอิสลามกินอาหารแบบอิสลามนอนแบบอิสลาม ใช่ไหมให้สลาแบบอิสลามแต่งตัวแบบอิสลามพี่น้องแล้วก็พาลูกเต้าไปเยี่ยมญาติพี่น้องแบบอิสลามพ่อแม่รับผิดชอบแค่สองอย่างพออะไรนะศาสนานามานให้ครบอ่านกุรอานอ่านดูอาอ่านาน้ำนามาดอบรมลูกค่อยๆอบรมไปนะครับพละขัน้นดิลละตอนแล้วก็มารยาทในการกินการนอนการนั่งการเยี่ยมเยียนการพบปะการเข้าหาอัลลอฮ์การเข้าห า, Allah, า, า, หานาบี เรื่องมารยาทของอิสลามทั้งหมดพี่น้องต้องลายพี่น้องก็ บ, บางคนจามจามไม่เป็นนบีบอกให้อลผ้าชีหน้าเนี่ยคลุมจมูกไว้พอจามเสร็จว่าไงนะอัลฮัมดุลิลนี่ถ้าเราไม่ไม่ฝึกให้ลูกเราอ่านนะลูกไม่จะว่าเลยนะแต่นีไอคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยว่าไงยาฮามกั ล, ล เอาลูกเป็นคนจามเองก็ต้องอ่านต่ออีกยัฮด ah um um ีกุมุลลอหวายุสลิฮุบะละกุมนี่ที่น้องะอาจจับมือกันจับมือกันนี่พี่น้องเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานนุ่งจับมือคนเยอะเมื่อวานเนี่ยมาเชา้ากับแขกมาที่บันผมก่อนจะมาเนี่ยจับสัลลัลลอฮฺวออะหลลัย เาบอกอ่ให้มรอแล้วว่าพูดใหม่พูดใหม่หมว่าอย่างนี้ย um. um. ักฟิรุลลอฮุลนาวะละกุมยักฟิรุลลอฮุละนาวะละกุมแปลว่าอะไรโอ Allah ้ a l โปรดอภัยโทษให้กับเราและกับท่านด้วยยักฟ um. ิรุลลอฮลนวะละกุมเห็นยักฟิรุลลอฮละนวะละกุม ก่อนจะจับอาสลามมาเลยกุมแล้วก็จับมือกันว่าไงยักฟิรุลลอฮูละนาวาละกุมเตียตที่พวกเราใช้่ะสุลลลอฮวาสลลอฮอะไรอยู่บนสันลำได้ไหมเราก็นั่งฟผมก็อ่านคดีเยอะยังไม่เคยเจอวรรณอภินให้ว่าสุลลลอฮไม่เคยไม่เคยเจอเจอจะเจอยักฟิรุลลอฮูละนาวาละกุ้มแปลว่าอะไรนะโออัลลอฮโปรดอภัยโทษให้กับเราแล้วก็ท่านด้วย นี่เป็นมารยาของอิสลามทั้งหมดไปน้องเลยอายุคุมอัลสันอามาดาอัลสันแปว่ดีที่สุดใครที่มีงานที่ดีเลิศยิ่งอัลลอฮ์ไม่ได้พูดว่าใครทําเยอะไม่ได้พูดสังเกตนะใครไม่อัลลอฮ์ไม่ไม่ไม่พูดว่าใครทําความดีมากกว่ากันไม่ใช่ทําความดีดีกว่ากันไอคําว่าดีกว่าหมายถึงยึดนบีเป็นแบบนะครับ อ่าพี่น้องทีนี้พูดถึงเรื่องความตายพี่น้องครับอยากตายดีไหมทุกคนต้องตายหมดตายยังไงให้ตายดีๆนะพี่น้อง <S <S ก็ต้องขอดวงอาญาอัลลอฮฺให้ฉันตายตายแบบดีๆเขาเรียกว่าฮุสนุลคอติมะเขาเรียกว่าจบชีวิตแบบดีๆ จบชีวิตแบบดีๆไปอย่างนี้พี่น้องหนึ่งคนที่ตายพี่น้องก่อนจะตายนะก่อนจะหมดวิญญาณเนี่ยกล่าวกะริมาละอิละฮ์อิลอลอฺได้พี่น้องอัลลอ์คนนี้เป็นคนตายที่ดีมากเลยพี่น้องนบีสอนว่างไงนะใครที่กล่าวกะริมานี่เป็นกะริมะสุดท้ายเป็นคำสุดท้ายประโยคสุดท้ายเดี่ยเขาตายแต่เขาจะยันนะได้ไปสวรรค์ คนที่สูบบุหรี่เยอะๆนะหมดสิทนะคนที่สูบ ก, กัญชาเฮโรอีนหมดสิทธิ์นาะต้องกลัวผมกลัวนะผมเลิกบุหรี่มากี่ปีแล้วสามสิสองคือวันที่เปิดผมเปิดโรงเรียนศาสนปปาพธรรมนะผมยืนประกาศอย่เอาลอฉันเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้ไม่สูบเพราะเราอ่านเราพบอัลลอฮ์สูบบุหรี่ คนที่สูบติดของมึนเมาทุกชนิดไม่มีโอกาสได้กล่าวก่อนตายละอีลาฮะอินลอฮตายดีตายขณะที่กำลังอยู่ในท่านาห ม, านะมัดเคยเห็นไหมพ้น<ม>ดูทีวีก็เอาอะไรอะไรนะกำลังสูดอยู่ยนะตายอะ่ะมีเพื่อนบงคนอยู่ที่ซอยสาทิ่ชนอะ่ะเรียนบางกอกนะ่ะ เสียมโดยชกู ก, กนั้นตายขณะสู้ยุทธนะก็ดีมากเลยสสามตายขณะนั่งอ่านอัลกุรอานมีไหมมีครับมีอาจารย์ผู้คนหนึ่งอยู่ในอินเดียในพี่น้องตายวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ก็อยู่วันดีอยู่แล้วใช่ไหมวันศุกร์กับวันดี แล้วก็ตายในท่าอ่านอัลกุรอานหลังจากอาบน้นํานมาศอาบน้ําเสร็จแล้วแต่งตัวใส่เครื่องหอมจะไปนมาศวันศุกร์แต่เนี่ก่อนไปนมาศก็นั่งอ่านกุรอานที่บ้านอ่ะที่ห้องพักเขาเนี่ยก่อนจะไปมัสยิดประมาณสักยี่สิบนาทีกําลังอ่านอ่านอยู่เนี่ยแล้วอ่านสุรยาซีนด้วยเป็นเรื่องยิ่งดีใหญ่เลยใช่หรือไม่ใช่ใชอ่านประมาณเจ็ดแปดอายานเนี่ย หูวูลงไปก็เสียชีวิตอ่ะรอคนวงกันหมดเลยอย่างนี้ตายดียไหมหนึ่งาตายดีพี่น้องขอทอาตอร์ให้เราตายดีแล้วก็สีตายขณะที่ท่านพี่น้องคลอมชุดแยรอมอยู่ที่ไหนอ่ามักการโนนเนี่ยพี่น้องกาลังคลอชุดแย่รอมอยู่ กำลังทำพัดอยู่หรือทําอุ้มรอกก็ได้พี่น้องแล้วก็ตายในสภาพนั้นนี่จะเป็นการตายดีที่หนุดอัลลอฮฺอักบะด์ยิ่งใหญ่ด้นนนานคอลกอนม้าตัวลัลไหยะอัลลอฮ์สร้างให้คนเนะี่ยมีทั้งความตายมีแล้วก็หรือมีชีวิตมีเราต้องเอาความตายของเราตายที่มีผ ล, ลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องแล้วคนที่มีชีวิตก็เหมือนกันพี่น้องชีวิตของคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้วิญญาณตอนไหน ตอนอยู่ในท้องอ่ะตอนอยู่ในท้องอ่ะสองเดือนสามเดือนสี่เดือนในวิญญาณอาลัลลอฮ์ให้มรรคการมาเป่าแล้วพอเป่าพับไปน้องอลัลลอฮ์กำหนดให้สี่รายการหนึ่งริสกููเรื่องริสกีก่อนเพื่อนเลยที่เรากลัวกลัวนะกลัวริสกีน้อยใช่ไหมเกลือเครื่องยังชีพน้อยใช่ไหมอัลลอฮ์กำหนดให้ริสกีก่อนเลยพอริสกีแล้วก็ให้อะไรนะัก วันหมดอายุวันตายพี่น้องมีอะไรบ้างที่อยู่บนโลกดุนยาเบนี่อยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุมีไหมผมนั่งเครืงบินผมพยาดูนะ่ะดูสังเกตกล่องน้ำอย่เขาแจกน้ำบนเครงบินกล่องเล็กๆนะ่ะมีวันหมดอายุด้วยแล้วคนกินนะ่ะหมดไหมคนกินก็หมดอายุแล้วเครืงบินที่นั่งหมดอายุไหมหมดนึก ตลอดเวลาอัลลอฮฺอตัดบอกถ้าอยู่สักกี่วันนี่ยไปน้องแต่อลัลลอฮฺไม่บอกวันหมดอายุถ้าบอกดีไหมถ้าบอกดีแหละเอ็งตายอีกสามเดือนตายจะจะดีแหละที่อลัลลอฮฺไม่บอกวันตายเนี่ยดีหรือไม่ดีดีมากๆเลยถ้ารู้วันตายดีสักรู้วันนีก้าดีไหมรู้วันเลิกก็ยังยังกลัวนะจะเลิกกับภรรยาเนี่ยยังกลัวเลย รู้วันนิกาดีไหมดีรู้ว่าจะได้แต่งเงินดีไหมดีรู้ว่าจะได้ลูกเพิ่มดีไหมดีอย่นี้เป็ต้นพี <c oughs> ่น้องคนละกอนเมาตัวัลไหยะอัลลอฮฺให้ความเป็นความตายลียาบลูก่ากุมเพื่อการทดสบอบอายุกุมอัลฮซานวามาแล้วใครบ้างที่ทําความดีตามสุนนะนบีมากกว่ากันทีนี้ หนึ่งอัลลอะ์กำหนดริยสกีสองอาจารย์สามอาั่นงานอาชีพอาชีพทำอะไรทุกคนมีอาชีพหมดไปแล้เนี่ยต้องเป็นคนชราแบบนี้สววแบบนี้ที่ดูแล ง, งานศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮา น, นาะฮุอัลลาผมนึกถึงครูครูอิสมาอินอสอนยนกระทั่งเข้าโรงพยาบาล คุณม่ไปล่าเลยใช่หมครับบครับสรรพานะกลอฮมวะบิฮัมดิกะอฮดลลอิลาฮฺอิลลาอันทะอาสตัฟุร์กะวาตูบะอิลัยุสลามุอะลัยกุมะละฮฺมุตุลลอฮฺบารอกะต์มีถามอนะครับคนที่มาเข้ารับอิสลามได้อะไรบ้างครับอาจารย์ตอบงนี้คนที่มารัอิสลามเนี่ยเขาให้อะไรบ้างที่เขาจะเป็นอิสลามไปจนถึงวันตาย ท่านอับดุลโมฮัมหมัด ouais สุลต่านมุสลิมสอนบอกว่าใครก็ตามที่หันมาคือเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในศาสนาอื่นจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามนะแล้วก็มาเรียนอิสลามมาหันมานับถือศาสนาอัลอิสลามนบีสอนไว้ดีมากฮาดามังกานะกรบเลวความผิดในอดีตที่ทําอะไรผิดผิดไว้เนี่ยนะอัลลอฮ์ยกโทษหมดเลยดีไหม ความผิดในอดีตที่ทำทามาเนี่ยความบาปทั้งหมดที่ทำมาในอดีตเนี่ยพอรับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้คนคนนั้นนะ่ะสะอาดเหมือนผ้าขาวเหมือนเด็กที่คลอดออกมาใหม่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความผิดติดตัวแล้วพี่อ น, อน้องสถานการรับนับถืออัลอิสลามก็คือเข้ามาอยู่ในาศาสนาของอัลลอ์ยอมรับให้อัลลอ์เป็นพระผู้เป็นเจ้านะ แล้วก็ยอมรับให้นบีมุฮัมมัดอลัสลัมเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแต่นบีนี่ น, นะไม่เคยตำหนิคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมนะไม่เคยตำหนินบีจะให้ให้เกียรติมีอยู่วันหนึ่งขอรัานิตนะ น, น, ะนบีเล่าท่านไ อ, ไ อ, มอนิไอมรอนเบนเฮาเซนอิมรอนเนี่ยเป็นซอฮบ้านนบีเล่าบอกว่าพ่อฉันเนี่ยพบหน้าท่านนาบี พ่อของอิมร์เนี่ยยังไม่ใช่เป็นมุสลิมนะวันนั้นอนะ่ะพอเห็นหน้านาบีนบีถามมาว่าคุณวันนี้คุณบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพอยู่นะ่ะกี่องค์ก <c oughs> ี่รูปแต่ชาคอนี้ตอบว่าเจ็ดรูปเจ็ดองค์อ่าแล้วก็นบีถามมาว่าแล้วองค์ไหนที่คุณมั่นใจมากที่สุดว่าขอแล้วจะได้รับการตอบรับ แล้วก็มีความกลัวมากที่สุดนะองคไหนทั้งเจ็ดองเนี่ยเขาบอกว่าหกองค์อยู่บนแผ่นดินหนึ่งองอยู่บนชั้นฟ้าองค์ที่อยู่บนชั้นฟ้านั้ฉันมั่นใจองค์นี้มากที่สุดองค์ที่อยู่บนดินนี่นะเช่นอะไรบ้างก็มีชื่อเฉพาะเช่นอะไรนะลาดอูซามานัดยาคยาอุกยาอุส纳ส มีหรายการแบบต้นตะเกียบนรรดาเนี่ยต้นตะเกียบต้นระยองต้นนูน่นต้นนี้บูชากันเยอะแต่ฉันไม่มั่นใจเนี่อยู่อยู่บนดินเนี่ยแต่มั่นใจองค์องค์งงข้างบนนั้นแล้วก็นบีก็บอกว่าถ้าคุณรับอิสลามฉันจะมอบของขวัญให้คุณสองรายการที่ดีที่สุดแล้วก็ชาคนนี้ต่อมามารับอิสลามแล้วก็ตามหานับี น้ีสัญญาว่าจะให้ฉันสองสองรายการนั่นคืออะไรเป็นน้องนก็เล่าแค่นี้แหละครับผู้ที่เคารพ伊า兰เนี่ยให้เขาขอดวงอาดีไหมว่าอย่างรอนอย่างระอขอให้ฉันอยู่ในอิสลามจนงวันตายโอ้โหดีมากครับมุสลิมเดิมๆก็ขอด้วยนะผมเนี่ยผมขอทุกวันขออย่างนี้อัลลอฮุมะซาบิทกัลบีอัลลาดีนิกะ วาลาอัลลอฮฺอัติกะแปลว่าโอ้อัลลอฮฺโปรดทําให้หัวใจของฉันนี่นมั่นคงอยู่กับการเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอัลลอฮฺจนกว่าวันตายเลยพี่น้องเอ้ยอัลลอฮฺฮุมซาบิตกัลบีอาดาดีนิกวาาอัลลอฮอาติกโอ้อัลลอฮฺโปรดทําให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์มั่นคงอยู่กับการเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺจนกว่าจะตาย แล้วก็ขอเผื่อลูกเราด้วยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมออลลอฮฺ mm. along, ที่ลูกไม่ได้ขอเราขอเผื่อออลลอฮฺให้ลูกฉันเนี่ยมั่นคงอยู่กับศาสนาของออลลอฮฺและเชื่อฟังปฏิบัติตามออลลอฮฺถ้ามีสามีที่ไม่คอยจะเอาไหนภรยาขอเผื่อได้ไหม mm. ได้ไหมได้บางทีสามีดีพรรยามไม่ค่อยขอยทอดเก่าทาง mm. ก็ขอเผื่อได้ไหม ได้ น, นี้เป็นต้นนะครับการทําความดีเนี่ยอาจารย์จเจอแล้จากอ่านอ่านชั่วอ่านเพราะว่าที่ว่าทำหนึ่งได้เจ็ดเท่าถึงเจ็ดสิบเท่าถึงเจ็ดร้อเท่าอ่านง่ายๆเพราะว่าอาจารย์ดีมารับจานผู้หนาได้ผู้คนคอ่านผู้ น, น, นวลล็อหนึ่งชั่วล็อกเรืองหนึ่งตนได้ตัวละคเท่าไร่ หรือว่าอ่านทำความดีมอัลลอเป็นอ์การเรองแก่รครับการการอ่านคุรานเนะี่ยเป็นของดีนะแค่อลิฟลามีมแค่นี้นะได้สามนะสิบคะแนนอลิฟลามีอลิฟน่ะสิบลา ม, มสิบมีมสิบอัลลอฮฺนี่นบีพูดเองนะฉะนั้นถ้าอ่านคุนฮุัลลอฮฺเนี่ยได้เยอะมากเลยทีนี้ใครที่อ่านคุนฮุ Allah, ัลลอฮฺฮุอาฮัดเนี่ยนะ เท่ากำอ่านหนึ่งส่วนสามอาของอัลกุรอานแล้วดีไหมรัฐารู้ความหมายด้วยดีไหมอัลลอฮุสซามัมเนี่ยกุลหุวัลลอฮุอะฮัดแปลว่าอัลลอฮ์มีกี่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวใช่ไหมอัลลุสซามัมอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างนะพึ่งอัลลอฮ์หมดอัลลอฮ์ไม่พึ่งใครนะ อัลลอฮ์ไม่ยุ่งกับใครทั้งหมดและอัลลอฮ์เหนือความสามารถลัมยาลิตวะลัมยูแัะอัลลอฮ์ไม่ประสูตดและอัลลอฮ์ไม่ถูกประสูตดนะอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีพ่อแม่นะครับวะลัมยาคุลลาหูกูฟูวันอาฮัดและไม่มีผู้ใดที่จะเสมอเหมือนพระองค์ได้อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเป็นน้องอ่านสุ ร, อร้อนนี่สุ ร, อร้อนเดียวเนี่นะ ô, อัลลอฮ์อักบัดแล้วก็ปฏิบัติตามนี้ด้วยนะอัลลอฮ์อักบัด อ่านต้นหนึ่งได้ท่าใด้ท่ากับหนึ่งสวนสามมากู้อ่านแล้ว่ะดีได้ไมด่ดีถ้าอ่านวันละสิบเทีย่ยวยี่สิบเที่ยวดีไหมใช้ต้องใช้ตอนหนีหมดน่ะนะชงผีหนีหมดจะจงเจ้าที่หนีหมดไม่เหลือไปน่อง น, นะครับอ่านเยวบอลนะเที่ยวอนะอะไรเทียเท่ยวอ่านเสร็จเทียเท่ยวโอ้โหดีมากเลยอันนี้การทําความดีเริ่มจากตรงนี้ได้ผลและบุญด้วย โอ้ใช oh, ่สิเป็น้องก็อ่านอายะห์นึ่งก็แบบสิบผลบุญบางทีอ่านโดยอิคลาสบริสุทธิ์ใจถึงเ0็ดสิบถึงเจ็ดร้อยรออยู่ที่ห uh ัวใจว่าเราสะอาดต่อลรอแค่ไหนโรคอาไปด้วยนี่นะขสุญลลอฮฺมุราะห์ฮอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลอลอาลินวซาระตุวะลามุอัลอัลราฟิลอัมบิยะอินูุซานวะะาอัลฮิสวะซิอัอม س ب ح l a ا ل a ه عز وجل أنا إ ن ّ a ا ع ا ل a دارا إنّك a ن ت أنا ع ل u ملحدين و ل ท่านอาจามุสตาฟาทีเป็นสุดทท่านอาจารดรวนีบ า, าดีแล้วก็พี่น้องมุสลิมและมุสลิมทุกท่านครับงคงใช้ระยะเวลาสั้น ๆ, ๆนะครับแต่ว่าสั้นๆนี่คงอาจจะเป็นบทสรุปอ่าชวรอที่ท่านก า, ารมุสตาฟาได้เกิดกับเรารรถึงโชวรอที่มีความยิ่งใหญ่นะครับท่านครับถ้ามีสิ่งหนึ่งครับที่จะช่วย เพิ่มความสาเร็จให้กับเรารเพิ่มเป็นร้อยเท่าพันเท่าอยากจะได้ไหมครับอยากได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่ามีสิ่งที่จะทำให้เราได้รับการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาทุกสิ่งที่เป็นความยากลกาบากทุกสิ่งที่เป็นความบกพร่องจะช่วยเติมเต็มให้กับเราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเราอยากจะได้ไหมครับ แบบได้ใช่ไหมครับเหมือนผมเลยครับเดี๋ยวพูดสิ่งนี้นะครับซึ่งความจริงก็พูดกันอยู่กับอยู่บ่อยๆเลยนะครับแต่อยากจะเน้นย้ำกันนะครับทุกสิ่งที่ผมเกิดมาทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผมเป็นพี่น้องทุกท่านครับมีสิทธิที่จะได้รับรับสิ่งที่จะมาเพิ่มีมูลค่าทุนนทุนให้กับเราเพิ่มความสุขให้กับเราเพิ่มความสําเร็จให้กับเราเพิ่มอีกร้อยเท่าพันเท่า คำตอบครับคำตอบคือในยะสําคัญที่อยู่ในโรมดอนอิคาร่าที่ท่านอาจารย์มุสสาบได้เกิดไว้นะครับอยู่ที่กุลรัวอัลลอฮฺอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นคอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พึ่งพานะครับงนั้นพอเรามีมีคำนี้จริงๆนะครับมีแล้วก็เชื่อครับเชื่อมั่นนะครับมั่น คนที่ศรัทธาเหมือนกันคนมี อ, อลัลลอฮ์เหมือนกันนะครับแต่แตความความเข้มข้นในการมี อ, อลัลลอฮ์ไม่เท่ากันยกตัวอย่างท่านแบูบัตท่านอทบูบัตท่ารสรลรสรศาสนานะครับท่านจะเอยปากอะไรมาจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับแต่ท่านเชื่อเลยเพราะว่าท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่ า, า, สลลสลลารสลสรสรศาสนานำมาบอกจริงแน่นอนท่านจะเก่งท่านเชื่อ ไม่แต่การที่ท่านได้ขึ้นไปอิสราเอลมืรอหลอดครับขึ้นไปบนชั้นฟ้าในสมัยก่อนนี้ครับไม่มีไม่มีดาวเทียมไม่มีตัวจรวดขึ้นไปนะครับนำข่าวนี้มาบอกกับคนอในสมัยนั้นนะครับหลายคนไม่เชื่อนะครับแต่ท่านลูบะเชื่อมั่นอย่างร้อยเปอ็ครับการเชื่อของท่านนั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่เราสอนนะบอกเรื่องการศรัทธากับอวโลกเรื่องมีอวโลกองค์เดียวเรื่องการเสียสละเพื่ออวโลกท่านเชื่อ นะครับพิสูจน์ความเครีย อ, องท่านโดยการที่ท่านบริจาคพร้อมที่จะเสียสลักไปในมรดการของเราสุภาในตลาได้ทั้งหมดเลยในกระที่ท่านจะอพกพไปกระถั่วโซลกอลโซลกอลทวารสลามครับเป็นบารมีท่านอากุบักนั้นดีใจอย่างเป็นที่สุดเป็นดีใจน้ำตาความผิติิยนดีนั้นเออล้นมานะครับซึ่งท่านอย่างเช่นได้ทรงกล่าวว่าไม่เคยเห็นใครที่ร้องไห้เพรามผิติิยนดีมากเท่ากับที่เห็นท่านอากุบัก พิธินดีแล้วก็ร้องให้ในวันที่ท่านมีโอกาสได้อุปยศพของท่นทานรสโสรนะครับร่วมเป็นร่วมตายกับท่านรสโสรสระร้รอนของศาสนาในขณะนั้นท่านมีทรัพย์ที่เก็บไว้ประมาณถึงหกพันนะครับหกพันเหรียญท่านนํามาหมดเลยที่เหลือจากการกินกันชาเขากลัวท่านนำมาหมดเลยกว่าจะได้หกพันเหรียญ น, นะครับเก็บหอมรอมรุกมาลําบากนะครับแต่ในขณะที่ท่านจะใช้ปเป็นหนทางของอลท่านพร้อมับ ยอมเป็นยอมตายกับท่านรสโลกรู้ดีครับว่าการอุปยศ ก, กับท่านรสโลกรั้งนี้ลูกภรรยาที่ยังอุปยพไปที่หลังอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ถ้าหากว่าศัตรูเล่นรู้แต่ท่านพร้อมเพราะท่านเชื่อในการตอบแทนก็ว่านั่นคือการเชื่อแบบนี้นะครับที่ที่มีคุณค่าที่เป็นการเชื่อที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าอิบาดะที่เราทําถวายเ น, นี่ยเราสบายนะครับบางทัานทำนิดเดียวครับ แต่ใส่ความยิ่ลาสความมีสุัใจถวายแด่ลอสุบฮานุอัลลาฮ์มันจะเป็นผลงานชั้นชิ้นโบแดงของเราเลยก็ว่าได้เช่นเหียวกัครับในการที่เราเผชิญกับปัญหากับอุปสรรคใดๆก็ตในในามถ้าเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าพระอัลลอฮ์จะช่วยเรานะคอัลลอฮ์ Allah สัญญาไว้ว่าไม่ตกินแล้วฮะอย่าจะอันกะูมัคร้อยอยาจะรุ่งุมินไฮสุดเลยอยาต็ม ใครก็ตามที่ทักวา่ากับศรัทธาครับเกณยำเกณงว่าลัทธิพหานววารายคงจะทรงให้เขามีทางรอดมีทางออกในปัญหาในอุปสรรคอี ก, กทั้งประทานยืดเสียกับอย่างชีพมาให้กับพราหมณ์เดที่เขาไม่คาดคิดเอยู่ในะครับแต่ท่านผู้อ่านที่ใหญ่ได้เคยไหมครับไปถามว่าเราทุกวันนี้เชื่อไหมเชื่อแต่เชื่อเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั้นไม่เท่ากันถ้าเชื่อเต็มร้อร์ซ็น์แน่นอนทุกคนต้องยิ้มแย้มได้ใชครับแม้ว่า ใัยมาก็สามารถที่จะยิ้มได้ครับสามารถที่จะเสียสลับในหนทางของร้อนได้ครับสามารถที่จะทําผู้สิ่งทุกอย่างที่หลายคนแม่สามารถที่จะกระทำได้แต่ปัญหาคือเรามีความเชื่อไม่เท่ารันดังนั้นเพียงแค่เราใส่ความเชื่อนั่นคการที่อัลลอฮฺผู้อัคอัลลอฮฺผู้อัคอัลลอฮฺเป็นองค์เดียวอัลลที่สามารถที่จะให้คุณให้โทษกับเราได้อัลลอฮฺเป็นผู้ที่เราพึ่งพิงในทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราได้ ใช่ครับสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ยิงย่งใหญ่ทั้งหมดคือสิ่งที่เพิ่มศักยภาพใช่ไหมครับสําเร็จเราสำเร็จอยู่แล้วแต่สําเร็จเพิ่มไปอีกโดยที่ม ไ, ไม่คาดคิดว่าจะได้รับไม่คาดคิดว่าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ท่าอาจารย์รุสบ า, าจบมาในี่วันนั้นจะจะไปสี่สิบปีที่ผานมาจบมาใหม่เป็นหนุ่มฟอสหล่เหอเปล่านะครับผมไม่คิดว่าจะมีถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับแต่เชื่อแน่ว่าอยู่กับศาสนา คับหลายคนก็ไปทํามากินกันแต่ว่าอาจารย์อยู่กับศาสนาครับถามว่าก็ให้นะครับให้ตรงทั้งอาจารย์อาจจะไม่คิดว่าจะมีถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับทั้งโรงเรียนทั้งนสติทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ให้ให้มากกว่าคนทั่วท<อ>ั่วไปนั่นคือสิ่งที่ลอซาวาร์สัญญาไว้แต่สัญญานี้การตอบแทนของก็กับสัญญานี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อความเชื่อมั่นที่มีอยู่ภาษาอังเรียกว่าอันยดอร์ดีนบิลล์การมั่นใจ ซึ่งมือนเป็นจุดสูงสุดของการอี إ ي ่านการศรัทธาของอัลสุบฮานุบอลาครับเมื่อใครใครก็ตามครับที่จุดนี้มันที่สูงสุดเลยพี่นะครับเรื่องบุญญาทุกปัญหาทุกอุปสรรคมันเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับเขาอย่างแน่นอนเลยไม่มีปัญหานะครับดังท่านในดีมูซาอิสานในขณะที่ท่านถูกจองล่างครับถูกตามฆ่าจากสุรคุณจนกระทัาวันหนีไปถึงข้างหน้าเป็นทะเนแดงหนีไปไม่ได้แล้ว หลังกองทัพคพื่ออุนกำลังไล่หน้าเราบรรดาสาวกที่เขามีความเชื่อมกันเชื่อถามว่าเชื่อศรัทธาในอัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์เป็นองค์เดียวไม่เชื่ออัลลอฮ์เมื่อว่าจะช่วยให้เขารอดปลอดภัยแล้วย่อรอดเชื่อไม่เชื่อแต่ถึงในวิกฤตขนาดนั้นความเชื่อมรนเป็นไงฮะความเชื่อมันมันจางลงนึไม่ถึงและเหล่าบรรดาสาวน้นก็กล่าวว่าอินนาละมุดลกูลมูซาคพืออุนกำลังตามมามาทําได้ไห กำลังตายเลยนะี่ยมีความกระสับกระสาร่ายมีความหวาดกลัวในขณะนั้นตกกตกใจว่าความตายอยู่ข้างหน้าแล้วหนีไปไม่ได้แล้แต่สิ่งที่ท่าเนเบโมซามีอยู่และพิสูจน์ในเรื่องนี้ของคนที่เข้ากินก็อย่างแท้จริงกว่าอย่างไรกั้นอะไไม่ตามไม่ทำแม้ว่าตามตักกะตามเหตุตามผลจะเป็นอย่างไรข้างหน้าเป็นอะไรแน่หนีไม่ได้แลข้างหลังของนักพระอวณมาไล่หน้ามาต้องอาตามตามเลย แต่จะเหตุผลปัจ oh. จัยเป็นอย่างไรไม่สําคัญแต่ใจจิตของท่านนั้นอยู่กับพระองล์พระอ์ให้ไม่มีใครมาห้ามหรอกอัลลอฮฺให้ไม่มีใครมาให้ตั้งแต่อินนัมอัลัยอัลลอฮฺอยู่กับเราอัลลอฮฺจะชีทางออกเพราจะช่วยคี่คทายวิกฤตที่เกิดขึ้นปัญหาบริษัทที่เกิดขึ้นให้เป็นคํานี้เองเป็นที่ในบุิษัทที่คุ้มศึกษาว่าคําว่าอาคัดกุลฮะอัลลอฮฺอาคัด ลึกๆแล้วมันหมายถึงแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้การเชื่อมั่นแบบนี้นะครับท่านเป็นมูซาได้รับวัตถุมาใช้ไม้ตีไปที่ทะเลนะครับไม้ธรรมดาสามารถที่จะทําให้ทะเลนั้นแยกออกไปได้ด้วยกับเดชานมภาพของขอมตะสุภารัตน์ที่ผ่านความเชื่ออย่างสุดที่สุดเชื่อที่หลายๆคนไม่ไม่อยากเลยที่ว่ามันเป็นไปได้แต่ท่านมูซาเชื่อมันอ่นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คว่าอะฮัดอะฮัดเป็นอธิบายและเป็นแบบนี้เชื่อแบบนี้ แม้ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ได้คำนึงแต่คำนึงถึงความาร่วงสุภาพหรือความศักดิ์สิทธิ์ความขังใดๆรกร็ตามที่มีอยู่บางคนอาจจะเชื่อในเความศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่ท่านในเบอร์โรฮีพิสูจน์ให้กัเราในขณะที้ท่านอยู่ถุงโยมในกองไฟความตายอยู่ข้างหน้ายิบริณีมาลองใจนะครับถามว่าย่าเบร์โฮีฮัลละก้าฮะยนอิบร์โรฮีท่านจะให้เราช่วยอะไรไหมมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขังยิบริณครับ สามารถจัดการกองทัพนำรู้เล็กป่ศาจเดียวก็จะพินาศทั้งหมดเลยแต่ถ้าจะมีปรหม ร, รู้ลึกยิ่งไปกว่านั้นรู้ลึกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของอิบราฮิมเป็นผู้คอยผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างคือ Allah อัลออัลฮักอย่างแท้จริงแม้อิบราฮิจะมีมีความศักดิ์สิทธิ์ในความขอยู่ในเหนือ น, นยักยะแต่ไม่ใช่อัลลอห์แท้จริงอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะให้กับเราได้นั้นท่านพอกา่าวแล้วท่านกา็ได้กล่าวว่า พัสดีว่าหัวเนื้อมันดีกัสดีว่าหัวนื้มันดีคำคำนี้เป็นคำที่ที่ที่ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งอรรรชให้ความคุ้มครองกับฉันอระรชย้ำคุ้มครองกับฉันเพียงแค่กล่าวคำนี้ออกมาไปนะครับไฟที่ท่านไวไฟที่ร้อนกับกายเป็นเย็นให้คว่าก่อนไฟการเดือดบนไฟได้นั้น ปัญหาภรษัที่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับความทุกเชิงทุกอย่างที่เราอยากจะได้อยาจะได้ความสุขความสําเร็จทุกเชิงทุกอย่างนั้นผูกอยู่กับเรื่องนี้นั่นเดียวครับเรื่องความความชักความมั่นใจในสิ่งนี้ที่เรากล่าวว่าอาฮัตอาฮัตเอาเอาฮัอเอาเราองเดียวเอาเราองเดียวครับต้องพิสูจน์มาอยู่ในเรื่องนี้ครับการที่เรามีความเด็กเกศเป็นความมั่นใจจากตัวเราสุภาวะตัวเองนะครัสิ่งนี้มันเป็นเพิ่บอกว่ามันเป็นเป็นแก้รสรพัตนี่ครับเป็นตัวช่วยอย่างดีอะไรที่มันมีอะไรมีคุณค่ามาก เพราคำนี้คาว่าตวัดกกนการพูดหมายกับอัลล์คว่าฮัสเบลวะหวนี่มันหมาว่าลาเขาะวลาบูวอิลามิลัชฉันไม่มีอานาจที่จะผักดานสิ่งเว้าใดๆไม่มีอานาจที่จะทํางาสิ่งใดๆได้นอกจากอัลล์องเดียวเท่านั้นและอีแล้วครับเัวลลอฮกับอัลล์องเดียวเนั้นเป็นพระเจ้าที่เรานั้นขอความเรียนจาพระองค์รับที่เรานน้นวิงวอนขอความสงฆ์จากพระเาสุพรรณโบราเราเคารพเราสักการะเราบูชาอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้น นั่นคือในยัคสำคัญแน่นอนครับที่ที่เป็นคำที่สรงคุณค่ากับเราเป็นอย่างยิ่งครับมั่นใจครับพี่สิ่งที่ได้นาเสนอในวันนี้เป็นเป็นเคสที่ไม่ลักของความสุขความสําเร็จอย่างที่สุดครับนั้นเคสวิชานี้ทุกคนก็รู้กันในหลายคนครับแต่คนที่จะเข้าถึงจริงๆของเคสเรื่องนี้นั้นมีไม่กี่คนนะครับเรื่องนี้ต้องต้องฝึกและต้องทําเป็นประจำนะครับแน่นอนครับถ้าหากว่าเราได้ฝได้ทําเป็นประจำ เชื่อมั่นในสิ่งนี้สักชนไว้แน่นอนครับสิ่งที่เป็นเคล็ดลับอันนี้ย่อมย่อมเกิดผลกับเราเป็นอย่างนี้อย่างเต็มที่ครับอีกนิดหนึ่งเล่านะครับมาวันนี้คิดว่ามาวันนี้มาโล่งสะดวกขรถไม่ติดเลยมาตลอดครับเพราอถึงสะพานพรรามแปกครับข้ามไม่ได้อ้อมไปไปสนามหลวงสะพานสนามหลวงครับไปแดงแรกครับเจอเจอม็อฟับเข้าไม่ได้นิดเลยครับพัสเดียงก็หัวหนักนิ ทัชเบลก็โหเนี่ยมันเหกินกาวตลอดเลยนะครับดอาตลอดเลยนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วนั้นมดตลอดเลยเจอมตลอดครับทัเบลหนี่มันกินครับเาอทางมาจอดจอดหน้าโรงแรมถึงได้จดว่าทัชลนี่มันเหนกิครับฝากคำนี้ที่ที่ที่ทรงคุณค่ากับเราเป็นอย่างยิ่งครับอุปถัมภ์าวนฮาลาัสกับระบฮาลวัุมบริษัยอิบุสติมีนี่ยิับราชอาะออกรหรัทอัลลอฮิบารักมุฮัมมัดก็รักน มีคำถามถามนะครับถามบอกว่าละหมาดฟัดดูอิชาเสร็จแล้วแต่ยังไม่จะละหมาดสุนัตจะมาละหมาดตอนไหนพี่น้องก็เก็บไปละมาดนู่สิตอนใกล้ๆจะตีสี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันนะมาตีห้ามันเท่าไหร่นะมาดสุบโบเท่าไหร่ตีห้าตีห้าครึ่งใช่ไหมล่ะออตีห้าสี่สิบห้าพวกเนี้ย อันตะตือนตอนตีสี่แล้วนะีนมาศหลังอิชานมาศอะไรตหัดยุดนมาศวิเทศเนี่ยเก็บไปหมดเลยไปน้องทำได้ไหมเลยขี้เกียจอีกขี้เกียจเนี่ยมันตักษา ย, ยากมันเนาะอ๋อีปน้องตัดตัดทิ้งมันก็ได้นะอ่านนะก็รูงว่านมาศได้เลยทั้งคืนและนมาศช่วงไหนแต่ช่วงใกล้ๆกล้สว่างนะดีที่สุดนะ ก็ถามว่ามีคนฝากถามว่าเขามีสามีมีลูกด้วยกันสองคนโตหมดแล้วแต่สามีไม่ไปมีภรรยาใหม่เป็นคนไม่ใช่มุสลิมไม่รู้ว่าเขาเข้าอิสลามหรือเปล่าไม่ทราบว่านิกล้าหรือเปล่าโอ้โนึกนึกยอะนะสองปีแล้วไม่ส่งเสียไม่มาหาเลยอยากทราบว่าขาดกันหรือเปล่าติดต่อเขาก็ไม่ได้ แล้วเขาก็ไม่ติดต่อมาก่อนที่จะไปก็ยังไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนี่จะถามจริงๆก็คือขาดกั น, ก น, กนหรือไม่ขาดใช่ไหมไม่ขาดครับไม่ขาดเพราะว่าถ้าจะขาดมันต้องขาดด้วยการอย่าแต่นี้ถ้าอยากจะให้มันขาดก็มีวิธีนึงแหละต้องไปหาใครนะเอ่อกอดีกอดีมันเราชื่อใค ร, อ, รอันอชื่อโดนลอสารแล้วนะไ ป, ปห า, าที่บ้านท่านอยู่บันป่านะ แล้วก็อย่าเขียนเยอะเขียนแค่นี้แหละนะเพราะว่ากอดีขี้เขียนอ่านเขียนเพราว่าเนี่ยสามีฉันเนี่ยจากไปไหนก็ไม่รู้นะติดต่อก็ไม่ได้อยากจะเลิกให้ช่วยจัดการหน่อยนะ่นแล้วค่าจ่ายก็ไม่ได้ส่งสันขอเหงาแล้วนะอย่าเงี้เดี๋ยวเขาจับจัดจัดการเองเดี๋ยวเขาเรียกตรวสอบเองนะอย่าเลิกเองพี่น้องเลิกเองไม่ได้นะต้องไปผ่านกอดีนะครับตัวรว่าถ้า ถ้าจะเลิกการตองเลิกกันโดยการย่าถ้าหาตัวไม่เจอไปหาใครนะไปหากอดีผู้รับผิดชอบนะครับข้อที่สามนี่กาลังฮิตเนี่ยขนมเทียนขนมเขคงทิ่ไหว้เจ้าแล้วนะครับเอามาให้จะรับประทานได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องนะอย่าไปเอาเลยพี่น้องซื้อซื้อซื้อซื้อนะซื้อกินเองดีกว่านะเพราะก็ผ่านไหว้เจ้ามาแล้วเนี่ยนะ เจาไปแล้วเขาให้พระเจ้ากินไปแล้วนะเราเอาขออนุญาตเรียนถามว่าหากผู้หญิงผู้หนึ่งตั้งคันได้ประมาณสามเดือนแล้วคุณหมอบอกว่าหากเอาคันนี้ไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาจำเป็นจะต้องเอาออกไหมขอเรียนถามว่าจะต้องทำอย่างไรก้อนเลือดที่ที่นำออกมาจึงจะถูกตาม นี่จะถามมาถามว่าเอาออกหรือว่าเอาออกใช่ไหมท mm hmm. ้าพี่น้องครับถ้าหมอแนะนําเื่อยาจะแนะนํามาถ้าหมอมุสลิมน่ะนะดีตอนนี้ถามว่าคําว่ามีอันตรายอันตรายเกี่ยวกับแม่หรือเปล่าทําแม่ถ้ากเก็บไว้เนี่ยแม่จะต้องอันตรายถึงกับชีวิตนั่นเ้ยก็แนะนําตามหมอนะแต่ถ้าหากว่าแม่ไม่เป็นอันตรายเลยลูกจะเป็นนู่นเป็นนี้ ว่าเก็บลูกเอาไว้เนี่ยผมแนะนํานะอาจจะผิดทัถูกวัร้องวันรำนะลูกบางทีลูกนั่นจะเป็นสาบทรรให้เราในเข้าสวรรค์ก็ได้ลูกบางทีหมอว่าพิการหลายคนออกมาไม่ได้พิการสักทีนึ่งหลายคนเลยพี่น้องถูกหลอกกันกันเยอะต้ององว่าถ้าหากว่าลูกอยู่ในครันเป็นอันตรายต่อกับแม่ถึงก็ต้องเสียชีวิตอย่างนี้เอาออกได้ไม่มีปัญหานะ แต่ถ้าหากว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม่เลยแต่เป็นอันตรายกับลูกเองเนี่ยเพราะว่ามอบหมายกับอยยัลลอฮฺยกรที่อาจารย์ยาซีนพูดเมื่อกี้เนี่ยอลัลลอหฺคุณสามัติมอบจริงๆมอบแบบนบนีบอิบราฮิมมอบไปเลยไปน้องกันล้คุ้มครองหมดไม่มีปัญหานะเพราะเราถูกสร้างมาเพื่อการทดสอบตลอดเวลาหมดแล้วนี่นะเป็นหมดแล้อยนะ่างหมดแล้วสินะครับครับสี่สี่ข้อหมดแล้วนะครับ